ผมบวชคื่บาว 1, 5, 1, บวรปีหนึ่งเจดนอ้าหนึ่งเจ็ดกาลีนีแปผมตอนนั้นไดอยู่ขอบบ้อบวชอายุสามสิบพอดีก็่อมาบวชยี่ <c oughs> ยิบเจ็ดบวช<า>ได้อยู่กุฏิท่านทุคุณปัญญาท่านปัญญาที่ตอนนี้ท่านา น, นอ น, นะรอหอนนะข้าไปที่ท่านจอไปปฏิบัติวัดสนักกิจที่จังหวัดศ า, า, ายของข่านมหาตุนนะมณี ผมเป็นเด็กที่นั่นมาตลอดคือเข้าเรียนตัชั<ม>้นมหนึ่งแต่ปีสองสี 96, 98, 98, 98, ่เก้าหกเก้าแปดเก้าแปดกับฐานะเก้าแปดชั้น ม, มหนึ่งสมัยก่อนนี้เป็นมแปดรุ่นพุทธาลยิ<ม>่งอ่านหนังสือท่านแล้วก็มันส่งกระจายแล้วตั้งแต่อ่านหนังสือมาึคือประทับใจอย่างที่เขาพูดแบบ ง่ายๆเนะี่ยตอนนี้คือท่านสอนในทนํานองที่ว่าคืออยากไปทุกข์กัคนอื่นเราไปแก้ไขคนอื่นไม่ได้ตอนนี้ผมมีบุตรสาวที่ยังอยู่วัยรุ่นอยู่อืเขาเรียนหนังสือสอนหนังสือให้ทำโน้นทำนี่เขาไม่ทำก็เป็นห่วงโคมท่านเดี๋ยวนี้ผมก็อ่านท่านผมก็เลยมาค่อยๆถอนออมาก็ว่าโอเค เราก็ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดกันที่ท่านท่านผู้ไว้ในมือจะเจออะไรขึ้นก็แล้วแต่บุญกรรมเขาเพราะว่าเคยมีพระอาจารย์ทางด้านสา่ท่านปู่มั่นท่านก็พูดคําว่าคนเราทํามาน้อยจะมารับมากไม่ได้ทํามามากก็จะอยไม่ได้ก็เหมือนวุฒิรครับท่านทํามามากท่านก็ต้อง ต้รับมากตามเหตุตามปัจจัยให้ท่านไเป็นประสาทน้อยบยืนรอใที่ารไดทำมาแต่ละคนมันมีวินมีกรรมของเขามาเพีงแต่คอยประคับประคองสนับสนิทสิ่ง้นำเไปเเอาก็ุนครับรับได้เขาไยืนเขาอว่าเขามีเรื่นี้ มารับไม่ได้ก็เขาต้องไม่มีมันไม่มีภาชนะมารองรอาหารที่เราจะตักขึ้นกับเขาต้องมีแต่มือแบบมารับได้จมูกแบบนี้ปัญหาปัญหาหลักมันไม่ได้อยู่ที่ขาปัญห า, หาอยู่เราลืมไปว่าเรากำลังหุ่นวายใจเรากำลังสร้างความทุกขให้กับเราเราลืมลืมม อ, ม, มองตัวเรา เราห่วงคนอื่นมากจนเคยตายดืวยแม้กระทั่งเราหวังเราเกี่ยวับร่างกายเราก็เป็น่วงร่างกายมากขนาดไหนแทนที่ะ จ, ะจะปล่อยร่างกายมันไปตามสภาพของมันหรือไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยแบบว่าทิ้งมันหมานถึงว่าให้างงามันาทางานนับเราตามหน้าที่ของเราเรามีหน้ า, นาที่ดูแลเขาเราก็ดูแลาขาไปเหมือนรถยนต์คันหนึ่ถึงเวลาเติมน้ำมันก็เปิมถึงเวลาตื น, น, นข้าวก็ต่น เวลาเข้าอู้มซ่อมก็เข้าอุ้ซ่อมแต่เวลาเข้าหาหมอก็พาซ่อรงยบาหมอเข้าซ่อมได้ก็ก็ซ่อมไปรถก็เหมือนกันหมอเขาซ่อมได้ก็ซ่อมไปซ่อมไม่ได้เขาก็บอกว่าขายทิ้งแฮกยัใหม่ดีกว่ามีินมีเงินมากก็ได้ซื้อร่นคันเก่าที่เขางทิ้ไปแล้วคันก่ามีรุ่นใหนมา่ ตายไมกนาลวมันเปนเวลีมันงไปนไปไงแล้วก็ไม่ทำอะไรก็ก็ยังอยู่เหมือนเดิมกินเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมเรืร่างกายมันมันจะค่อยๆหมดแรงไปหมดอะไรไปก็ก็ฝ่ันเป็นไปตามควาเป็นจริงเล่นไม่ได้ก็นอนเด่นไม่ได้ก็นั่งนัไม่ได้กนอนหายใจไม่ได้ก็ไม่ทำหายใจอยู่ลงหายใจเขาออกแค่นี้ ไม่ต้องไปคิดเรื่องื่ น, นให้อยู่กับปัจจุบันแล้วใจนี่คือวิธีรักษาใจไม่ให้ใจต้องตกนรกไม่ต้องให้ใจวุ่นวายมีแต่ความทุกขอยู่ตลอดเวลาเพราะใจไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรไปสำหรั่างกายแต่เพรว่าใจมันไปนห่วงร่กายมากกว่าห่วใจมันก็ไม่ดูแลใจาไม่ดูแลมีแต่ความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา แต่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเรามองไม่เห็นใจสยท่วไปเราจะมองหิวที่กายอยู่ตลอดเวลาเวลาใจเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเห็นพระพุทธเจ้ามีสอนให้เรามีสติอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จ็บให้ดูดูจิตดูอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นว่าเป็นองไรคุ้มช้าดุ้งวายสงบไม่อะไร เฉะนั้นก็ส่วนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเราต้องเราต้องรู้ขอบเขตของเขาว่าเขาเป็นอย่างไรทุกอย่างที่จิตมาเกี่ยวข้องด้วยนี่มันมันเป็นกใยรักทั้งสิ้นในวันก่อนที่โยมถามว่าธาตุที่ธานี่คืออะไรมาธาตุรู้ธาตุรู้ว่คือจิตส่วนธาตุสีก็คือดินน้าลมไฟในรูปแบบต่างๆส่วนม้ำก็เป็นดินน้ำลมไฟ ร่างกายของเราก็เป็ น, นปแนวรวมกันต่างตรงที่ว่าต้นไม้มันไม่มีจิตเข้าไปครอบครองเป็นเจ้าของส่วนร่างกายที่มีจิตเข้ามาครอบครองแต่เมื่ก็เป็นการมารวมกันของธาตุธาตุือธาตุห้าธาตุถ้าเป็นสัตว์เป็นบคคลก็มีห้าธาตุรวมกันถ้าเป็นต้นไม้ใบหญ้า ก, ก็มีหาาสี แต่เขาก็มารวมกันแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องแยกกันนี้เป็นธรรมชาติของของชาติมันไม่มันไม่นิ่งแล้วมันไม่เสถียรใจศัพท์ภาษาทางวิทยาศาสตร์มันไม่เสถียนมีการรวมตัวแล้วมีการแยกกันอยู่ตลอดเวลาเมื่ถึงเวลาที่ส่วนส่วนที่จะแยกมันมีกําลังมากกว่าส่วนที่จะรวมมันก็เริ่มแยกตัวออกจากัน ตานเริ่มต้นมันส่วนที่จะรวมกันจะมีกำลังมากกวา่ามันก็เด่นชัดให้มารวมกันเพื่มาเป็นรืองป็าต่างๆทีนี้ปัญหาก็คือถ้ารู้คือจิตหรือใจไม่รู้จริงไม่มีปัญญาถ้ามันได้เจอความขุ่นยากไม่มีใครรี้หรอกว่าผู้เสียเมืออ่างมันมเป็นแค่ดูนา้าหนมคฝาเป็นทาพสื่อ แล้วก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าไปหลงไปยึดไปเกิดก็ก็ต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าเวลาเวลาได้มาก็ดีใจเวลาจะเสียไปก็ก็เสียใจทุกข์ใจมันก็ไม่ยากยาเลยเลยถ้าเข้าใจหลังนี้แล้วพยายามมักษาใจด้วยธรรมะ สิ่งสมาธิปัญญามีทางสิ่งปัญญามีเ็นเครื่องรักษาาจรรเป็นปัญญาเมื่งที่พูดเรื่เราพูดเรื่องปัญญาแต่ปัญญานี้ต้องมีสมาธิ เ, าธาเป็นเครื่องส่งเสริมสมาธิก็ต้องมีสิ่มีทางเป็นเครื่องส่งเสริมถ้าไม่เช่นนั้นเราจะเป็นปัญญาแบบหลักการฟัง ทำได้คิดได้แต่ทำไม่ได้เพราะมันไม่มีจุดตรงว้จุดที่จิตจะต้องปล่อยนันคือจิตคือสนาวทิ้งถ้ามันยืนยื่ถ้ามันอยู่ในจุดของของที่ไม่สนมันก็มันก็ไม่มันก็ปูงแต่งปูนแต่งมันก็จะมีอุปทานมีปัญหาไม่อยากไม่อยากแก่ไม่อยากเสื่ไม่อยากตาย ถ้าเวลาเราทําจิตให้สงบนี่มันคิดไม่ได้มันตึงไม่ได้ปัญหาก็ทํางานไม่ได้อุปทามก็ทํางานไม่ได้แล้วเมื่อเราทําสมาธิแบบเหมือนข้าต่อไปนี่ก็จะเป็นสมาธิที่ต่อเนื่องเริ่งต้นนี้มันเป็นระยะระยะเป็นเหมือนเป็นเวลาเวลาเวลาที่เรานั่งทีแล้วก็สงบที พอเรา อ, อกจากมาที่ ม, มันก็มันก็คิดปุมมันก็กลับไปยึดไปอยากทีถ้าเราพยายามทาให้มันสงบอยู่เรื่อยๆตั้งในขณะที่เรานั่งยั่ในขณะที่เราไม่นั่งคือเวลาที่เราไม่นั่งเราก็ต้องควบคุมสังขารความคิดโยอยาวข่อยให้มันไปคิดลุกเกิดอาจจะดึงให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปก่อนให้มันสงบได้นิดหนึ่งแมในขณะที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องทําภารกิจต่างๆ เราก็ยังภาวนาไปได้แล้วก็พุทโธพุทโธไปดูแลเวลาเราดูแลร่างกายร่างกิ่กินข้าวเราก็พุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับร่างกายร่างกายมันไม่สนใจตัวมันเองมันไม่มีความรู้สึกตัวมันไม่มีความนี้มันเป็นเหมือนกระติกน้ําเลยมันไม่รู้ว่ามันมันดีมันเชื่อมันมันจะแตกมันจะเสียเมื่อไหร่จะหายมัน่ ตจผู้รู้นีน่มันมัหนุม น, นมนอยากมันจะไม่ให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เอ ป, ปัญหาของใจงที่เราต้องปฏิบัติกันเพื่อที่จะละให้ความอยากนี้เลยไม่อยากแกไม่อยากเจ็บไม่อยากตายถ้าไม่ได้ปฏิบัติมันก็ยาก เนองจากคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วไปมีมพื้นฐานอยู่แล้วคนบางคนฟังเทศต้นพิจิตรเจ้าเพียงครั้งเดียวก็ก็ตับได้ทําได้ทําใจได้เมื่อจากของที่เราหลงที่ว่าเป็นของเราแล้วความจริงมันเป็นของคนอืน่นเขาเขามาขอถวงพื่อนเราก็ไม่ยอมให้เขาเพราะเขาคิดเป็นของเรางที่ก็มีลูก เด็กที่ออกมารอบสลับกันไปอยู่ไกล้ครอบครัวหนึ่งต้องติดกติ้นก็คิดว่าเป็นรูปของตัวเองต่อมาเขาก็มบอกว่าไม่ใช่อยู่ที่คนน่ถ้าคนทำใจได้ตัดใจไปไเลยเขาไม่ใช่ของเราก็ออกขื้นไปร่างกายเราก็แ บ, บนยืนไปเกิดมาเราก็คิดว่าเป็นของเรา มัาเจอเขาพุทธเจ้าพีห่หมอไม่ใช่ของเรามีหัวใจเราจะเด็ดเดี่ยวพอไหมตัดใจไปแลยลาไปเลยนันไม่ใช่ของเรา เ, เราเป ล, อาปลอาาป่อยไม่ปล่อยมันก็เขาก็เอาขึ้นไปอยู่ดีถึงเวลาเขาเอาขึ้นไปถ้าปล่อยมันก็สบายใจก็เบาถ้าไม่ปล่อยมันก็กินไม่ได้น้ำไม่หลับกระสับกระสายว้าหุ่นอยูตลอดเลยว่ะ มัพยายามหัดหัดตรงตรงอะไรเงี้ยนะอะไรมันต้องไปมันไม่ใช่ของเราเงินเงินทองที่ญาติโยมเนี่ยมาถวายพระก็เงินไม่ใช่ของเราเนี่ยที่ให้ทําทานก็เป็นการหัดตรงหัดวางไม่ให้ยึดไม่ให้ติดตรงได้แล้ามันใจสบายใจ ม, มันจะสงบมันมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถตาที่ปกที่ต้นอาจารย์บอกว่าเป็นอากาศเฉยๆก็บริเวณแต่ที่เรานถ้าไม่มีอากาศมันก็ไอ้พุ่งยิ่งมันตั้งไม่อยู่ที่ไหนมันจะไปอยู่ที่ไหนไอ้อากาศนี่มันเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่มองถ้าไม่มีถ้าไม่มีแรงขึ้น ม, ม, มันก็ว่างไปลองมันยงขึ้นไปในอวกาศนั่นก็อากาศนี่แต่แต่ภาพรู้เนี่ย เวลาถอไวมดแล้วเมื่อตรงนี้คือหดหมดเช่นันไม่มีองเขอยู่ลตัวรูไปแล้วไ่ตัวรู้มันก็ยังมีอยู่ที่หมนก็คือคือิเลสปัญหาที่ลงไปจากในตัวรูปนั้นถ้าเรียบเทียก็เหมือนกับว่าถ้าหยุดไม่มองตานี่ถูกถูกทาลายหายไปหมดมันก็เหลือแต่อาการของว่างแต่มันไม่หายไปไหน พี่แนวว่ามันมันมันเป็นของที่มันตรงกันข้าวกว่าของที่มีเนี่ยมันก็เลยเดี๋ยวอากาศที่มันเหมือนกับว่ามันไม่มีแต่ถ้าไม่มีอากาศมันจะมีที่ตั้งของมัานี้ได้ยังไงเหมือนเหมือนโยมไปซื้อคอนโดเนี่ยโยมโอมก็ต้องถามว่ามีเนื้อที่เท่าไหร่ว่างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เพราะโยมจะต้องเอาของไปใส่ อนะก็คือเนื้อที่่ก็คือความว่าเวลาเราไปซื้อบ้านใหม่ๆมันไม่มีอะไรแต่เราต้องการเนื้อที่ไอ้คาว่าเนื้อที่ก็คือมันก็อากาศแต่าเนื้อที่ของเรามันมีมันมีมันมีข้อมันมีมฟ้ามีอะไรคอยกําหนดไว้แต่เนื้อที่จริงๆนี่มันไม่มีมันคอยสุนดนารสำรวจไป มันก็ไม่มีทางสุดควายของมันมันเเรียกจักรวาลใช่คือจักรวาลมันมีคอนเทนต์อยู่ด้วยมันมีพวกดาวมีอะไรนีไอ้พวกดาวพวกนี้มันเป็นธาตุี่ที่มันอยู่ในในอากาศแล้วร่างกายเรามันก็อยู่บนดวงดาวดาวโลกนี้ก็เป็นดวงดาวอย่างดาวดาวดาวเคราะห์เนี่ยคือดาวนี่ษา แล้วถ้พระดาวตรงนีน้มักนกน็มันมันก็มีดินน้าลมไฟอยู่แล้วมันดินน้าลมไฟมันเจอกันแล้วก็มีปัิจิบุป า, า, าการตัวตนขอ้นมาในการเป็ น, นตับปอต่างๆเมื่อมีจิตเข้ามาเขามาคอบของจิตก็คือธาตุที่ห้าดินน้ำลมไฟธาตุรู้แล้วก็อากาศก็เท่า ถ้าหลักบทในในในในในพบในอะไรนี้ก็มีทานนี้เองแต่ไม่ได้หมายถึงตายพบตายพบนี่มันอยู่ในตัวจิตตัวธาตุรู้เองจังหากคือไอไอที่เกี่ยวกับธาตุนี่มันหมายถึงการมาพบคือภพของมนุษย์กับภพบของเดรัจฉานที่ต้องมีธาตุอยู่ดีงามาแต่ภพของเทเมันมันอยู่ในธาตุรู้นี้แหละพร้อมอา่า ก็อยู่ในธาตนีงได้จะธาตสัมภเวสีอยู่ในธาตุนึนรกก็อยู่ในธาตนี้นิ <c oughs> พพานก็อยู่ในทาตนึงได้ถ้ามีกิเลสมากมีกรรมมา ก, กมันก็เป็นพวกสวัมภเวสีเป็นพวกนรก เ, นกเป็นพวกเบสเพวกอสุรกายถ้ามีบุญเช่นมีหิริอุศปะมีเมตตาครุณาก็เป็นเทพเป็นคน ถ้ามีวิปัสสนามีมายรักมีปัญญารู้ทันมันก็เป็นมิภัยเป็นอริยมุตคลท่านต่างๆขึ้นไก็อยู่ในตัวธาตุรู้แทที่เราพูดกันส่วนใหญ่เนี่ยตัวสําคัญก็คือตัวธาตุที่เราต้องการที่จะเข้าเรื่ออะไรท่านสมบอกว่าให้ชำระธาตุรู้ให้มันจะ ธาตุรู้นี้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับทองคําที่มันยังมีสารอย่างอื่นปนเปื้อนอยู่เราต้องเอามันหลอมเหมือนเรที่เวลาเกาก็ถลุงเหล็กอะไรพวนี้ยมันไม่ใช่เป็นเหล็กที่บริสุทธิ์ก็ต้องถลุงมันยากถ้ามีธาตุอย่างอื่นที่ผสมอยู่ให้มันออกไปเพื่จะได้เหล็กเหล็กล้วนๆหรือทองล้วนๆออกมา สิงที่เราปฏิบัติกันทวันนี้ก็เพื่อนที่จะแยกโลดกกฎดุลให้ออกจากธาตุร่นนี้ให้ธาตุรุ่้นี้มันเป็นทาตุบริสุทไม่มีกี่เลยไม่มีปัญหามไม่มีอุปาทาถ้าอย่างนั้นถ้ารุ่นี้ก็ประกอบไปด้วยทั้งของบริสุทิ์และท่านตัววิชาใช่ไหมครับได้ก็พระพุทธเจ้าก็ธาตุรุ่นนี้พวกเราก็ธาบุรว่นนี้ต่างกันตองที่พระพุทธเจ้าได้ได้ชําระจนบ่อยสุด ได้สกัดเอาพวกสารแปลกบอลต่างๆออกไปหมดแล้วเจอโลกกฎดเลยด้วยมักแปดด้วยทางศีลภาวนาที่เราทำาุนทางทานเนี่ยที่เรารักษาศีลกันที่เรานั่งสมาธิกัน ท, ทำเพศ่อทำมเจริญวิปัสสนานกันเนียก็เพื่อที่จะเอาไอ้นี่ไอ้โลกกฎดลงมันออกไปจากทาตุเลย ทุกวันนี้มันหลงกันเนี่ยเมื่อหลงก็ทําให้เกิดโรคเมื่อโรคแล้วเกิดความโกรธคือเมื่อโลคอยากจะได้แล้วแล้วไม่ได้ดังใจมันก็กโกรธโกรธบ้างเสีย ใ, ใจบ้างแล้วทุกบ้างแล้วแต่อยากจะอยู่ไปนานๆแล้วไม่ได้อยู่ยนี้แล้วก็ทุกข์แล้วความอยากอยู่ก็เป็นความโรคอยาก เมื่อไม่ได้ไม่ได้เมื่อ ม, มีอะไรมามาม า, มาสกัดความอยากนี้มันก็เกิดอารมณ์เสียคนเราพอรู้ว่าไม่สบายนี่มันอารมณ์เสียอารมณ์ไม่เป็นปกติก็มันมาจากความหลงความหลงที่ไม่เข้าใจว่าร่างการนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ท่านทมสอห้เราบำเพ็ญเจริญอยู่เรื่อยว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่กเราไม่ค่อยอยากจะเจริญกันเพราะไปดันไปคิดว่ามันเป็นอัภิมงคลแต่ความจริงมันเป็นปัญญามันเป็นตัวสกัดความหลงเมื่อมันรู้แล้วมันก็จะได้ไม่มโลภเมื่อไม่โลภมันก็จะไม่โกรธไม่เสียใจเมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องเป็นไปตามตามเรื่องของมันนี่คือเลยต้องเจริญอยู่เรื่อยการ การปฏิบัติมันก็เลยต้องเนี่ยต้องอาศัยทานศีลภาวนาศีนสมาธิปัญญาเพราะมันเป็นขั้นขั้นไปถ้าเราไม่มีไม่มีพื้นฐานมันก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปสู่ทำขั้นสูงได้เมือนถ้ายังไม่ได้เรียนปถมจะไปเรียนชั้นมัธยมนี่ก็เดี๋ยวเรียนไม่รู้เรื่อง <c oughs> คือไปไปไปได้ไปห้าวเข้าห้องฟังครูก็สอนก็เสร็จแน่แต่ความรู้ที่เขาสานอี่มันต้องมีความรู้พื้นฐานรองรับอยู่ถ้าไม่ได้เรียนมาก่อนเรียนไปก็ไม่เข้าใจดังนั้วมันข้ามขั้นตอนไม่ได้มัเราต้องทานสีธรรม น, นแต่อาจจะทําไปพร้อมๆกันได้ทานก็ทําไปสีนิพพานษาไปภาวนาก็ภาวนวไป แล้วมันจะก้าวไปเป็นขั้นไปของหนึ่งถ้าเราทำทานได้มากเท่าไหร่สินเราก็จะบิสุทมากยิ่งขึ้นไปเพราะว่าคนที่ยังยังมีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติเงินทองอยู่ก็มทีก็ต้องรักษาสีนไม่บอยสุดแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยรช่มัน สละเงินสมบัติเก้าล้องเงินทองออกบวชเนี่ยรักษาสีเงิงย่ำง่ายกว่าเพราะบางทีต้องโกหกคนนั้นโกหกคนนี้ได้ตัวที่จะรักษาเงินทองของเรไว้คนมาขอยืมมันบอกไม่มีหรอกนี่ก็โกหกนี้ยแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็บอกไม่มีจริงๆถ้าเราสละไป็นหมดเราจัดเปหมดได้ใครมาขอยืมบอกไม่มีละ คนส่วนให ญ, ญ่ยังไม่มายืมเงินทพระรู้ว่ามันมีมัน ม, มีมันก็ ร, รักษาสีนได้ได้ได้เต็มได้เป็นที่เมื่อสีนเงินเยอะเพื่ออมันก็ทําให้สมาธิมีมี ม, มีมากยขึ้นแต่บางคนอาจจะไม่ได้บวดพรนะเนี่ยแต่เขาอาจจะสละทางใจไปแนละ้วก็ได้เงินทอนถึงนั้นจะมีอยู่เขาก็ เขาคิดว่ามันไม่ใชเป็ น, นขอ้ขาวแล้วถ้าจําเป็นจะต้องหมดไปวันนี้เขาจะยินดีแต่ถ้ายังไม่มีความจําเป็นเขาก็ดูแลรักษาไปก่อนก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องมีภา ร, ระอะไรต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเทพอย่าไปดูที่เทพอย่างเดียวว่าโอ้ถ้าเป็นพระแล้วจะต้องจะต้องมีสีมีมีธรรมะสูงแบบขาว่า มันไม่มันไม่แน่กันบางทีเป็นพระแล้วแต่ใจนี่มันมันต่ำกว่าคารวะกันมันอยู่ที่การปฏิบัติทั้งแต่ต้นก็คนที่ฟังเทศที่ที่กราบทูนให้พระเจ้าทรงสอนธรรมะตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเดินยินเป็นบาปเขาก็เป็นคารวะพระเจ้าหอกว่าไม่มีเวลาว่าตอนนี้ กังยืนตลาดเขาบอกขอให้พูดสั้นๆยากเราทำพสั้นๆมาขอให้มองว่าทุกสิ่ทุกอย่างสิ่งที่เธอมองที่เธอได้ยินได้สัมผัสนั้นเป็นความว่างไม่มีตัวตนไม่มีแใจไม่มีบุคคลเพราะนั้นเขาก็เขาว่าเข้าใจเขาก็เตรียมตัวจะไปไปจะดปด่วน ได้ครับทราบว่าโดนกับโดนวัววัววัวขลุดตายแั่พระเจ้าก็สอนตอบว่าหลังจากที่ทำชาวภารกิจแล้วก็ให้เอาอาติเขาบรรจุไว้ในกระถือก็สอนว่าสองเห็นว่าธรรมเนีบรรลุแล้วพระพระราชบิดาท่านก็ บ, บรรลุเป็นพระหานเจ็วันก่อน เสด็จฟันเคยตอนนั้นทรงประชวนหนักยางพระพิฆาตทรงทรงไปไปเกิดพระองค์สอนนันอนิจจังทุกขังหนัาตานี้แนหละจปเจนาสังขงังแลตามได้มันก็มันก็หลุดที่มันต้องอยู่ที่การปฏิบัติ คือเช่นสมมติเรานั่งไปแล้วเราต้องแยกแยกมันออกแยกกายก็ธนากจิตเนี่ยบางเรื่อนะมันจะมาพันกันในเราเราแม่งเราเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาจิตมันจะบอกว่าฉันเราเจ็บตัวเราเจ็บป่างกายเราเจ็บ ยังยังให้แยกแยว่าร่างกายนี้มันไม่ไม่เจ็บอกมันไม่รู้เรื่องมันกับกระติกแข็งอย่านี้ติดนอนๆานไว้มันก็ไม่รู้ว่ามันก็มันเจ็บหรือไม่เจ็บก็ดูมันก็เหมือนกันอ่ะก็ดูเนื้อหนังมันก็เหมือนกันมันไม่มีความรู้มันส่วนเวทนาเกี่ความรู้สึกว่ความรู้สึกว่ามันเจ็บนี่มันก็เป็นก็เป็นอาการอย่างที่มันปรากฏขึ้น อมเหมือนกับอย่างอื่นๆเหมือนกับเสียงที่มันปรากฏ อ, อยู่ขณะ น, นี้เสียงมันปรากฏขึ้นแล้วมันก็เข้ามาในหูเราแล้วมันก็เข้าไปรับรู้ใน ใ, นใจให้เวทนาที่มันเกิดจากการสัมผัสของร่างกายที่นั่งนานๆ ม, มันก็มันก็ส่งเข้าไปในจิตแล้วจิตก็รับรู้เหมือนกันเสียงเนี่ยบางอย่างเนี่ย แม้แต่มันจะเบาขนาดไหนถ้าเราเราไม่ชอบขอย่างเนี่ยมันก็สร้างความตื่นตรหนกนได้ซึ่งใค ย, ยเขาซุบซิบเขาหมินทา้าไม่เขาว่าอะไรเราเราก็เกิดอารมณ์ขึ้นมา้เกิดความตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเสียงที่มันเราชอบต่อให้มันดังลั่นหูยังไงเราก็ไม่เราก็รู้สึกก็เฉยเฉยเราก็ยินดีที่ฟังไม่มีความตื่นตระหน เวทนาเนี้ก็เหมือนกันเวทนานี่มันมีเบาตรงนี้แรงก็มีถ้านั่งไปนานๆเท่ามันก็เกิดอาการเจ็บปวดมันก็แรงมันก็เป็นเวทนามันจะเบาหรือจะแรงมันอยู่ที่ใจว่าไปไปยินดีหรือไปรังเกียจถ้าเราไปรังเกียจมันมันก็เกิดความทุกข์ไหลช้ำเป็นทุกข์ในจิตทุกข์ที่เกิดจากความความอยากอ ความไม่อยากคือความอยากที่ไม่อยากจะเจอไอ้ไอ้ไอ้เวทนาแบบหรืออยากจะให้มันดับไปหรืออยากจะหนีมันไปแล้วมันยังไปไม่ได้ว่ายังนั่งอยู่มันก็จะเกิดไอ้ตัวที่คอยจะบอกอยากให้ลุกอยากให้ลุกอยากให้เปลี่ยนในเรียมันเกิดขึ้นมายิ่งมีเกิดความอยากนี้อะไรมันก็เกิดความขุ่นใจมากขึ้นไปเรื่อย ให้เวลาที่พาวนาถ้าจยิ่งสว่าถ้ายัางพิจารณาย่างไม่เป็นการให้จดมนไปเรื่อยๆน้อยกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าให้ไปอย่าให้ไปมีโอกาสได้คิดอยากจะลุกอยากจะหนีจากให้ให้ให้เวทนานี่กับนึ่งวิธีหรือให้นั่งพิจารณาไปเรื่อยๆอยากร่า ง, างกาออกไปเต์มากก็บอกร่างกายมีอะไรมากกาวิญญาณอยากรูเอามา ผมคนเล็บฝงหนัเ็ระทำมาแยกออกมาเป็นกองผมเวลาเราไปเผาไฟมันรู้สึกกายไรมหนังเวลาเอาไปหันเราไปไปทําอะไรมันรู้สึกอะไรไหมหนังหมูหนังก่เนี้เนื้อหมูเนื้อไกนไปตัดจะมีความรู้สึกเหมือนไม่มีความรู้สึกนั่นก็เป็นเพียงแต่วัตถุชิ้นหนึ่งจะน่าแยกมันออกไปตรงนี้แต่นั่งรู้ว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเนี่ร่างกายปล่อยให้มันอยู่เฉยได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปขยับมันปัญหาก็อยู่ที่เวทนาที่ปรากฏอยู่ในจิตขณะนี้ขยกของมันว่ามันก็ไม่ใช่ส่วนของจิตมันมีกวามสุ่มสันมันก็เป็นเหมือนกับเสียงกับรูปที่เราได้รับผ่านมาทางตาทางหูจนเวทนานี่มันก็มาผ่านมาทางกายก็เรียกว่าสัมผัสพลทัพอ นั่ง น, นานร่างกายสัมผัสกับพื้นมันก็เกิดความกดดันทําให้เป็นมีเกิดไม่พนาขึ้นมาคลายความเจ็บขึ้นมาว่ามันเจ็บตรงนี้ปวดตรงนีน้แต่เราก็ไปบังคับมันไม่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงหรืเป็นรู้หมือเป็นโผล่กับพรี่ยเนยีเสียงมันดังเนี่ยถ้าเราไม่ชอบเสียงนี้เราก็จะโหเกิดอาการ วุ่นวาใจถ้าเป็นคนมีวาสนาบารมีอาจจะสั่งให้คนไปไปจับไปยึงมันทิ้งไม่หมดพวกที่ส่งเสียงดังๆอันนี้แต่นั้นไม่ใช่กานวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาคือแก้ที่ใจใจต้องรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของของความจริงมันปรากฏขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละเมื่อเกิดแล้วมันก็ดับไป ถ้าเราไม่ไปมีอะไรกับมันมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรทั้ว่าถ้าเราไปชอบมันก็เป็นปัญหาเราก็ต้องไปไปไปพยายามไปเอามันมาครอบคองให้มันมีอยู่นงงานๆถ้าเราไม่ชอบมันเราก็ต้องพยายามไปกำจัดมัน <pricing> แต่ถ้าเราเฉยๆเรามันเราก็ไม่เห็ร้อาไม่มีมอะไรทัมันจะร้องก็ร้องไปมันไม่ร้องก็ กำลัง้องบางคนนะชอบเสียงนกนกเขาเนี่ยจะเลี้ยงนกเขาเพื่อฟังเสียงนกเขาถ้าไม่ชอบเสียงก็ต้องเอาไปฆ่าหรือเอาต้องกำจัดมันไปแต่ถ้าเราเฉยๆเราก็ไม่ต้องไปเดอยร้อนไม่ต้องไปไม่ต้องไปเลี้ยงนกเขาเสียเวลา ต้องคนยเงนกขาวชอาบยิงนกขาวใช่คนไม่ชอบเราต้องคอยไปยิงนกเขาเจอนกเขาเนี่ยต้องยิงมันทิ้งให้หมดนี่ก็เหมือนกับเวทนาเวทนาของเราก็อย่างเงี้ย <c oughs> เราชอบสุกเวทนาเราก็คอยวิ่งไล่สุกเวทนาพอเวลามันมาโผมาทีก็ดีใจความดีใจนี่เป็นความสุขทางด้านจิตใจไม่ไม่ใช่สุกเวทนา เกินจะเจอสัหรับการสูเวทนาแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมาพอไปเจอทุกเวทนาก็จเจอความทุกข์ใจขึ้นมาที่เกิดจากปัญหาความความไม่ชอบที่เราต้องการจะดับก็คือไอ้ทุกเวทนาที่ทุกแมริยาสัตที่เกิดจากปัญหาความอยากความไม่อยากของจากนี้ เปรจิตนี้มันอยู่เฉยได้มันไม่อยากมันก็อยู่ได้มันก็มีความสุขได้แต่เราถูกเตี่ยงสอนมาจากวนวราวิชาโดนโมหะตามหลงเตี่ยงสอนมาให้อยากให้อยากทั้งสองอยา่างคืออยากแบบชอบกับอยากแบบไม่ชอบถ้าเห็นอะไรที่เคยถูกอกถูกใจก็จะเกิดความอยากอยากจะอยู่ใกล้ชิดอยากจะได้มาครอบครองอยากจะให้อยู่นาน ถ้าเปสัมปยกับสิ่งที่ไม่ไม่ชอบเคยเังเกียดมันมันติดมาเป็นนิสัยเราเจอแล้วก็พยายามที่จะกำจัดมันเนือให้มันหายไปให้มันหมดไปเรื่อยๆเวลาเนี่ยสับตมมาไม่เหมือนกันเี่ยสีบางคนก็ชอบสีเขียวบางคนก็ชอบสีแดงบางคนบอกเห็นสีแดงเราจะประสาจะเช็ดไม่ได้สีแดง มันเป็นมันเป็นปฏิปิอาของจิตที่มันเคยฝุ่กฝังมาบางทีตอนมันเจออะไรแล้วมนะันมันก็จะชอบมันจะไม่ว่ า, วาชอบอย่างนี้มันจะไม่ชอบอย่นี้อย่างก่อนนี้อาจารย์รบวชนี่ก็ไม่เข้าใจเลยตอนที่ซื้อรถนี่ก็าชอบซื้อรถสียงเนี้ยสีส <c oughs> ีกัดรถสีน้ำตาแลา้วชอบเขาเพื่อนอีกคนนึงเขาชอบสีแดงเขาไม่เอาสีแดงเขาไม่เอา ก็ซ <c oughs> ื้อสีดส่ดางแต่เราสีกัดสีมรตายอาจจะมีความผูกพันมาในอดีตนี่เราก็ต้องเข้าใจว่าความชอบเบลนี้ถ้ามันอยู่ในขอบเขตมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันอยู่ในถ้ามันเลยเถิดมันทําให้เกิดเป็นปัญหาเป็นความทุกข์ขรานต้องต้อง่างห น, นึ่ง แม้จะไม่ชอบสีแดงแต่ถ้าอยู่กับมันก็หัดทําใจให้เป็นเฉยๆเอาละโอเคถ้าคนหนึ่งก็อยู่ได้ถ้าไมเราเป็อยู่ไม่ได้คนที่เขาชอบเขาก็มีตาหูจมูกริานกายเหมือนเราตัวอย่างมันก็เหมือนกันมีใจเหมือนกันเหมือนทุกอย่างทําไมเขามีความสุขกับมันได้แเราทําไมทำไม่ได้แล้วทําไมต้องไปทุกข์กับมันถ้าเราไม่สุขกับมันอย่างน้อเราก็อย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกันเวลาหัดทำใจให้เฉยๆเอาปัญหาพวกเราคือเราทําใจเฉยๆนี่เอง ไม่มีสมาธิให้มันนิ่งไม่ได้มันจะต้องมีปฏิกิริยาตลอดเวลาไม่ว่าอะไรมาสัมผัสจึงต้องต้องออกมาอยู่ในที่มันไม่มีอะไรมาคอยกระทบกระเทนจิตใจก็อยู่ไม่ได้หงาอีกก็เป็นกรรมอันนี้ต้องบังคับตัวเองทุกยากการที่ต้องมานั่งสมาธิอยู่คนเดียวนานๆเป็นเวลาเป็นปีเป็นอะไรนไม่รู้ ถ้าทำแค่สามวันห้าวันนิดเดียวก็ยังพอไหวอยู่แต่บางคนขนาดสามวันห้าวันนี้ก็เลยไม่ไหวเหมือนกันปีหนึ่งอาจจะทำได้สักครั้งสองครั้งมีความเคยชินครับที่เรามีความเคยชินได้ถ้าเราไม่เคยแล้วก็ต้องฝืนึงครับอ <มะ S 2> ที่ที่ท่านพูดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมิจเจ็บเนี่ยบางทีมันไม่ถึงเวลาคนจะเจ็บเราไม่ดูแลมัน เราปล่อยปะแล้วเลยไม่สงสารสังขารคือตัวที่เราต้องไปอาศัยเขาอยู่เนี่ยอันนี้มันก็ไม่น่าจะเจ็บเส่นนั้นมันยังไม่ถึงเวลานั่กับรถโยดเน็่ถ้าเราใช้รถเป็นแะแนนตามกําหนดระยะเวลาดูแลเขาไม่ใช้จนทั้งรถวิ่งไม่ได้ก็คือรู้ว่ารถมันเสียมันก็จะเป็นปัญหาคือว่าเราต้องเอารถเข้าไปซ่อมแล้วก็ไม่มีรถใช้แต่ถ้าเราจะตามกําหนดระยะเวลาที่เขาทําเนี่ยมันก็จะเป็นทั่งรอหน่อยให้เขาเช็คอาจจะหึ่งชั่วโมงชั่วโมงอะไรแบบนั้นมากกว่า อันนี้ก็เป็นเรื่องของการมีความรับผิดชอบต้องดูแลก็ต้องดูแลแต่ไม่ใช่มากเกินไปก็ตามตามความเขาเรียวาพอประมาณตามเหตุตามผลว่ารูไม่ใ ด, ด, ด, ด, ด้ดูแลตัวเองอมาคือ พ <c oughs> ี่จะเรียนกลับไปถ า, ามท่านอาจารย์เพื่อที่จะให้ไปโดมใจเขาที่เ <c oughs> รื่องก่ยกัเจ็บใจเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ก็พิจารณาดูหมนกันว่าทันนี้บางคนก็บอกว่าอะไรเราพิบุกมีบุญบอกไม่ใช่บุญกับบาปไม่เกี่ยวกันแต่นี่เป็นเรื่องของสังขารรู้ตัวเข้าใจาว่ามันแตสิ่งที่เป็นกงงนังวลที่ต้องกลับเปถามท่านอาจารย์เราเป็นกังวลหรือทุกข์มาจิตอน่าวันที่24เนี้ยกไม่อา ไม่แน่ใจว่าจะมาได้ไม่ได้ทั้งหมดแหลก็รู้สึกว่าออมันไม่น่าเลยลราเสียดายโอกาสแล้วรก็จะมีความทุกข์ตรงนี้ถ้าเขาจะไม่ได้ไปวัดตรงนี้ไม่มีทํางเลยผมคิดไปถึงกระถิ่นตงต่างอ่าวมันกล้ามันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปคิดมันอนาคตมันไม่มีใครรู้ถึงเวลานั้นอาจจะไปก็ได้อาจจะไม่ไปก็ไดไม่ไม่ไม่ควรที่จะสำจิตไปที่อนาคต รัก ป, ปฏิบัตนนิไมนมากจะอยู่ในปฏิบัติมากกว่าอดีตก็ไม่น่าไปคิดมันอนาคตก็ไม่น่าไปกังวลมันแต่ถ้ามีความจําเป็นต้องวางแผนต้องอะไรเร่วงหน้าก็ ค, คิดได้แเมื่อวางแผนน้เรียบร้อยแล้วก็หยุดกลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆพอถึงวันนั้นไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยวัดก็อยู่ที่ใจเรานี่ไม่ได้อยู่ที่ไหน เหมือนเรมาฟังธรรมเรื่องจารมันเหมือนกันถ้ามีที่อาจก็เปิดมันหญ่มากจะเป็นเพรากิเลสเราย like ังออกอยากจะออกไปมากกว่าอยากจะออกไปดูรูปฟังเสียงอะไรเรื่างการมากกว่าจริงๆถ้าไปปฏิบัติเสรแล้วมันมันไม่ไปไหนหรอกก็อาจมาไปอยู่บารดาต้องกี่ปีไม่เคยไปไปที่ไหนเลยก็อยู่อยู่ในวัดตลอด มันจะไปประกาบหลวงปู่รงนั้นตรงนี้อะไไม่ได้ไ ป, ปไมันย่งไ ป, ไไไปเขาไม่เคยประกาบครูบาอาจารย์องคนนะตั้งแต่มาบวชวนะัดอื่นก็ไม่เคยไปเลยเนะี่ยแต่บวชมานี่ยบวชที่วัดบวลไปอยู่บ้านตากแล้วเขามาอยู่ที่วัดที่พัทยาอีกีัวหนะึ่งมันดูแ ล, ล้วรักษาหลวงพ่อ พอโยงพ่อเสแล้วเขาเสร็จแล้วก็ไม่มีวัตถุอย่างไม่อยู่อย่างเงี้ี้ก็ไม่ได้ไปไหนงานของใครนึกครไปนกใครออกไปไหนมันมีต้องไปคือไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ก็จะมาคนที่ไปเขาเขาจิตใจเขามีกิเลสมันไม่บางคนเขามีความจาเป็นต้องไปมีหน้าที่อย่งเขต้องไปเพราะบางทีมีความถูกพันกันมาต่อเนื่องกัน ก็เป็นเย็นกันเยมนกันแต่เราไม่ค่อยมีความผูกพันกับใครมีวันจาง ก, ก็เสีนยนี่ก็อยู่ที่สติเราพอเสรเ็จกิของเราแล้วเรากลับสติมาเอางที่เป็นสวร์ก็เล่าให้ฟังแไม่ได้ไปยุ่งอะไรกท่านอาจารย์เคมีผูด้ีมนไปเทศข้างนอกเม่อี่ก็ท่านอาาไปนะเพราะว่า แดงที่มาแดงไม่ใช่เขาเขาบอกว่าปีหน้าเขาจะเป็นประธานชมรมพุทธศาสตร์เขาอยากจะนิมนต์ท่านอาที่ดบนช์จ้าไม่ไปน่ะ่ไแค่นี้ก็พอแล้วอแค่นี้ก็ล้มมือแล้วการเรียนท่านตอนพิจารณาก็ก็กําหนดพิจารณาลมหายใจตอนพุทโธก็พยายามให้จิตกับกายเนี่ยก็ถือว่าลมหายใจนี่ก็เป็นกาย จิตหรือว่าใจเนี่ยมันจะไปคิดนู่นคิดนี่อยู่เรื่อยแต่เมื่อกี้ฟังรู้เหมือนกับท่านหรืว่าท่านสอนว่าอให้ทาทุกขณะจิตถ้าเรามีกาไม่ว่าจะอยู่ในอิทธิ์อยาบนใดทํางานทานอาหารทำอะไรถ้าเราว่างขับรถเพื่ทุกแล้วก็ทุกข์มอันนี้ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งเช่นกันการสกัดความคิดถ้าเราไม่เราไม่มีอะไรสกัดมันมันก็จะคิดเรื่อยๆกังวลเรื่องนู้นเร่างนี้แบบกำลังใดไป ทอดกระทิงที่ตายจะได้มานี่มันคิดไปทำไมมันได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมคิดมันก็ยังไม่เลยไปมันก็มันก็ยังอยู่ที่นี่อยู่เพราะวันนี้มันแค่วันที่สิบเก้าเท่านั้นให้เราคิดไปถึงวันที่ยี่สี่นี่ละคิดได้คิดรู้รู้ว่าวันที่ยี่สี่มีกิจกรรมต้องทํำก็รี้แค่นั้นพอถ้าเตลียนตัวไหมถ้าถึงเวลานั้นมาได้ก็มามาไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องมาเราไม่ต้องมาเหนื่อย จิตก็วุ่นวายอยู่ตอลอดเวลากับความคิดอะไรการไม่เอาพุโทโธมาส ก, กสดสดใใสัดมันก็พุทโธพุทโธใจในใจรือสวด ม, ดมนต์ใน ใ, น ใ, นในใจอ้ี่ิโเสาะาหรสัมมาเนี่ยสวดไปเรื่อยๆน้ตดในใจแล้วจิตมันก็จะเป็นสมาธิได้ในขณะที่เราไม่ได้นั่งเนี่ยอมันมันจะว่างมันจะว่างจากความคิดรูปต่างๆกาไม่ให้จิตมันปัสสาวะกระแสออกไปข้างนอกไปรับตัวอารมณ์จากขนอะพุดโอหรือการสวดมนต์นี่ต้อเน้นกับเรื่องกระแสจิตให้เข้าเข้าไป ให้มารวมเป็นสมาธิจิตมันจะรวมได้หลายแบบรวมแบบที่ที่ไม่ทุ้งร้างก็เป็นรวมแบบนี้แล้วรวมแบบว่าร่างกายหายไปหมดเแล้วแต่สัตว์แต่ละวิญญาอีกแบบนึงมันอยู่ที่ทาวมเรือว่ามันจะลงเป็นนึมกมากน้อแค่ไหนมันมันรวมได้อยู่ที่การสกัดกั้นไอตัวของสายความคิดเนีย่ยให้มันไปคิดทางถ้าใช่ทำให้มันเกิดความสุ้งซ่านทีเดย สังขารนี่มันไปได้สองถ้าจะคิดก็ <res> ให้มันคิดเป็นเป็นปัญญามันก็จะมันก็จะเดินจิตเท่าได้นี่ครับแทนคิดว่าแก่มาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดามันก็มันอันนี้เรียกว่าเป็นมรรคอะคิดแบบสังขารแบบนี้เป็นมรรคถ้าไปคิดเรื่องกังวลเรื่องโน้เรื่องนี้เรื่องลูกอะไรเรื่องอนาคตสองตัวเองจะตายแบบไหนจะเจ็บไข้ได้ป่วย่างไหนคิดไปทําไมถึงเวลามันก็เป็นไปตามเรื่องของมันคนก็คิด กลัวจะเป็นอาเมเพิกอามผ้กากลัวจะนอนอยู่ในเตียงเป็นปีๆทําไงได้มันเรื่องของบุญของกรรมนะมเราทําอะไรม า, าไว้มันก็ต้องรับผลของมันทั้งวันนตอนที่เรารีบทำกรรมดีไว้ทําบุญทำกุศลโดยเฉพาะการภาวน า, าการเจริญสัญญาทําให้จิตมันหลุดพ้นไปใช่ไหพราะหลุดพ้นไปแล้วร่างกายมันดีในสภาพไหนก็ไม่เอ็นเดือดร้อ หลปู่ชอบนี่ท่านนั่งอยู่รถเข็นนั่งแฮปปี้ยางท่านอย่ท่านก็ไปไหนมาไหนของท่านทำอะไรของท่านว่าอาจารย์นิิตมันอยู่นะมันร่างการมันก็รับแต่สภาพรับได้หมดท่านเคยรับแนวทางของท่านโคอินกาใช่ไหมครับก็เคยอ่าน ส่วนยาท่านก็แนวทางการเจริญสติทั้งสี่ครับโดยใช้โดยพิจารณากายที่ท่านพูดเมืจริงที่ท่านสอนเมื่อกี้ว่าพิจารณาเป็นส่วนๆเช่นผมจากนี้เรื่อยไปคืท่ยาผมเขาจิตเขาเป็นอย่างนั้นเขาชอบเขาไปเขาบอกดีหน่อยเขาจะไปปีละสครั้งเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีสาขาในประเทศไทยนี่คือมีมห้าแห่งที่สราก็มีแถวพิสโล่แล้วตอนนี้เสร้างใหม่ที่กาญจน บ, บุรีแล้วก็ที่ประจินีบุรีก็มีอีกสองแห่งที่ไหนผมไม่ทราบเขาพยายามดึผมเข้าไปแต่ผมเข คือผมหันมาทางนี้คืออนาปนสตติกคือลมหายใจถือว่าลมหายใจนี่คือชีวิตหายใจเข้าไมา่หายใจออกกระตายหายใจออกไม่หายใจเข้ากระตายก็ผมเคยสัมผัส เ, เรื่องนี้มานานแล้วเนี่ยสองครั้งก็เลยรู้สึกว่าฝังใจว่ติกนะัทางด้านาานะี้ได้วิธีที่ปฏิบัติมันก็มีมีหลายแนวทางเหมือนร่านอาหารทำมะมันก็เป็นเหมือนอาหารที่เขาขายในตลาด อาหาส่แบเนี้ยพกุกผักตุกอะไอยู่ที่คนขายก็จะมาตรงแต่งมัแบบไหนบางทีก็ทําเป็นอาหารจีนอาหารเย็นานอาหารฝลังคนที่ชอบกินอาหารแบบไหนก็ไปไปกินอาหารแบบนั้นก็ของทขาเนี่รู้สึกว่าเขาจะมีกําหนดเวลาให้เหยู่ยทีลสิบวั น, วนแล้วไมาให้พูดกันแล้ว ม, มีการ<อ>ปฏิบัติแล้วมันมีการปฏิบัติตั้งแต่เช้าถึงหละ ให้คุมสติอยตลอดเวลาเรงคนมีอยู่ด้านไม่กี่วันก็ทนไม่ไหวอึดอัดเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้กลุยสังขารมันมีแต่กลุมแต่มันไม่ได้มีออกมาทางวาจาแต่ถ้าคนที่มีสติและควกคุมได้มันก็เพลินนี่คือสำหรับคนที่ยังไม่มีวินัยในตัวเองนี่ต้องมีมีเวลาเวลาคอยบังคับถ้าท่านมีวินัยก็ไม่ต้องไปก็อยู่บ้านของเราเราก็ปฏิบัติได้ เราเราอยู่บ้านแล้วก็ปิดทั้งตัวอะไรไว้ในห้องก็ได้วันรักษาศีลช่ว ง, งเวลานั้นเราก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกคนอื่นไปเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเราก็ทําทของเราไปแต่คนส่วุหญานไม่มีวินยัยพอพออยู่ในบ้านเดี็กคนนั้นเปิดมาท่านก็อยากจะไปดูด้วยคนนั้นเขากินอะไรก็อยากจะไปรับประทานด้วยจิตใจมันยังมันยังอ่อนอมันไมนนีหลักที่ ถ้ามันมีวินัยในตัวมันเองนะมันมันมันไปของเองนะอยาอาจจะมามองย้อนตัวเองก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่ามันทําแรนเป็นของมันได้มันก็ไปของมันเองมันไม่มันไม่มีใครมาบังคับไม่มีใครมาสอนพอมันอ่านหนังสือปั๊บมันก็เข้าใจว่าต้องทําอะไรมันก็มันก็เริ่มทำไปเพิ่งใจเราเพิ่งการทานเนี่ยถือสิ่งแสบอยแต่กระดีไม่สบายเนี้ยที่ต้อง ทานอาหารเย็นก็หมอให้ให้ทานทานายาหลังอาหารอนี้ออก็เลยว่าถ้ า, ถาเผิดอพวกเว้นตอนนี้ น, น, น่จะไปอยู่เมื่อร่างกายแข็งแงขึ้นนี่จะเป็นการผิดเพ้นก็ไมมันก็ไม่ได้รักษาเนีอแทนที่จะได้จะว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เอารางวัลที่สองไปก่อนอเท่านั้นเองอ รักษาสมุนธ์แหลารักษาศีล8เขา่าให้เหรียญทองถ้ารักษาเหรียญถ้ารักษาศีล5ร่างกาเหรียญเงนไปก่อนก็เหมือนกันแข่งกันก่นเวลนฮะเว้นยาเย็นก็เพราะว่าเราเราเราย่งเราเราเราต้องการรักษาร่างกายเรามากกว่าัษาศีลจริงจริงแล้วอย่างทานน้ำสำรอมนี้แล้วก็ทานยาที่หลังก็ได้ไม่ใช่ ปกที่จริงแล้วต้องช่างน้ําหนักดูนะว่าถ้าไม่ทานตามหมอตั่งเนี่ยเราก็พลาดไปเป็นยังไงมันแย่<ม>ยิ่งกว่า ท, ที่ว่าเรารักษาสุขภาพไว้ก่อนให้แข็งแรงแล้วกลับไปเป็นปอดใหม่มซึ่งนึงอ่ออกไหมเราจะมีร่างกายอยู่คือจิต<ม>เร า, เราอาศัยร่างกายเราเนี่ยแล้วร่างกายทํำร่างกายาแข็งแรงเข้มแข็งข้างหน้าจะมีจะต้องคือขอให้มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะบำเพ็ญภาวนาเพราะว่ายาจีมันไม่ใช่ยาที่กัดกระพาอ่ะ มันมันได้สองอย่างนี่หรอจะรักษาทางนี้แล้วไปบำเพ็ญทั้งหน้าก็ได้หรือจะบำเพ็ญทั้งนี้แล้วไม่ต้องรักษาเหมือนกันนตเราคิดเอาเองกันใช่ไหมบางคนก็ไม่รักษาก็จะเอาธรรมะแทนที่ก็จะเอาอย่างท่พระอาจารย์บอกให้ให้สละให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะเนี่ยเรีวเราจะเราจะเราจะรักษารักษาชีวิตไว้ก่อนก็ต้องสละธรรมะไปก่อน มันต้องดือแต่ไม่มันไม่มันไม่เสียหายอะไรมันไม่มันไม่เป็นม่ออย่าทานยาจีนกินได้อคือไม่มีอาหารอยู่ในท้องก็กินยาจีนได้ยาไม่อยากไม่อยากทานเันทั้กันเพราะว่าพานแล้วทำให้หลับหลับเคยตื่นตีสามก็ไม่ตื่นยิ่งทำไงมันแต่พี่คาจินเคยตื่นได้นะมันกำลังไม่ยอมไม่ตื่นเลยที่เราอดเดือนแรก แต่ค<ต>ือก็บอ ก, กแต่บอกว่าไม่มีใครรู้ดีเพ่อตัวเราเองเราก็รู้แล้วก็ได้อะไรมาทุกอย่างแล้วก็มาพิจารณาทบทวนเองว่าเราจะเลือกทางไหนเราจะทำ อ, อย่างไรอะไรนี้ใช่ไหมแต่ท่านอาจารย์เขาก็ให้ให้โอวัลให้ทําแนะนำสั่งสอนมาตัวเราเองเราต้องเป็นคนตัดสินใจว่าเราต้องพิจารณาว่าเราจะเอาอะไรครับมันกง่ายๆนะมันไม่ได้มะแชรนะบอสถ้าทำนี่ปุ๊บอยู่เท่าไหร่ผมว่าอยู่ห้าวันสิบวัน ถ้าูยังไม่ได้ความเพนเรามีที่ว่าจะทําการถีมควานหะให้ถึงนระดับหนึ่งว่ที่จะเป็นบาตรหรว่าเป็นฐานที่จะขึ้นไปอยู่พรภูมิที่ดีขึ้นะไปคิดเอากังแล้วก็ต้องไปอย่างที่ท่านอาจารย์บรรชายพูดใช่ไหมมีจะกลับไปที่สูนใหม่ใช่ป่ะเนี่ยคิดได้เองหมดก็เป็นมากๆเลยค่ะทางนี้ก็ตับเขาไม่ทํางานไปสองส่วนนี่เพิ่งจะออกมาวันนี้เอง ก็อย่าไปงเลยแล้้นใจทำอะไรไปกไปถ้ามันจเป็นต้องรักษารางกายให้มันชก่อนก็เมื่อเราเราก็ปฏิบัติไย่ได้ก็ต้องรักษาางกายไปก่อไปมาอนะไรนีออกแตไม่แค่ต้วนต้องไปเลีนเอปนที่ มันก็เป็นหัวแต่บางทีมันไอเรื่องทอํางอางจมันต้องอาศัยตการนี้เป็นตัวกระตุน้น <c oughs> ้นที่ดีเพราะว่ามันปจิบัติมันไมได้ปฏิบัติที่่างกาย อ, อะะาาพระาชนิยามุขเจ้าบารรลุก็บรรลุบรรเทิงทนไข่ น, กก น, น, น, ขนอนดังว่าจิตของท่านสามารถที่จะ พิจารณาทำและเข้าใจและปล่อยาาวางยังไงให้ใหพิจารณาเรื่องร่างกายเรืเ่ อ, กอ ง, งการเป็นธาตุของร่างกายนี่หรือเจารักษามันยังไงสมมุตยิยกนี้มันหายเดี๋ยวก็จะเจอยกหนา้าอีกมันก็กลับม า, บายอยู่ที่เดิมเกันได้มันก็ลองมาเจอยกสุดท้ายกันได้คือแต่อันนี้วันนี้จะเป็นยกสุดท้ายหรือไม่ท่านยกนี้นจะเป็นยกสุดท้ายหรือไม่ไม่มีใคร พอเราเจ็บไข้ได้ป่วยกันแต่ละครั้งก็ไม่รู้ว่าจะจะหายหรือไม่้าหา ย, นะหาหายเดี๋ยวมันก็ต้องไปเจอยกหน้าถางเนี้ยมันก็มันก็เป็นอย่างเดียวนะแล้วบางทีมันหายแล้วการที่มันจะกลับไปปฏิบัติธรรมมันก็กลับไปทําอย่างอื่นเลยพอมันหายแล้วมันก็ลืม <c oughs> <c oughs> แล้วถาว้าถามว่าเวลาที่จะปฏิบัติทานตอนไหนเวลาเนี่ยดีที่สุดแต่เรื่อง<ม>เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องศีลแปนี้ก็ไม่มันก็พอที่จะไม่อยากจะพูดว่าคำว่านุ่งลมแต่บาทีร่างกายมันมันมนันเป็นจะต้องกินยาก็ถือว่ากินข้าวนั่นก็เป็นกินใจกินยาไปเมื่อที่เราไม่ได้กินเพื่อที่เพราะการอยากถึงทีนึงถ้าอย่างนั้นก็ มันก็กินมันก็กินยามันกกินกินยาไม่ลองลองลองท้องเพรเวลาต้องกินยาเข้าไปเพราะถ้าเรากินไปแบบเท่ามากๆเดี๋ยวมันก็ไปกัดกระเพาะมันก็ทำให้เกิดเป็นเป็นโรคท้องต้อยขึ้นมหม่ณจะดูแม่ขนาดนี้ก็ดูดูดูแค่ที่วือเวลาที่ นี่ว่านีความปิติเองจพยายามพิจารณาในธรรมพิจารณาในแนวทางที่เราได้ยินได้ฟัง น, นี้ไปเรื่อยเพราะเรา<ช>เร า, เราต้องอเป็นคนสอนเราเองสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากตุลาจารย์นั้นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นน้าเคืีเราต้องเอาเราเราต้องเอาไปเอาไปคา้างอเอาเอาเอา อ, อาอเอ า, าอเอาเอาเาเอาาเอาเอาเอาเาเาดอาเาเ คามเสื่อมของร่างกายร่างกายมันมาร่างมันก็ต้องตาเวลาได้สําคัญจะเป็นเวลาไห น, นมันมันมันเป็นเพีงแต่ชา้าหรือเร็วตามองเอแต่การกิน ม, มันก็มันก็ต้องถึงเวลาที่เท่าทุทกคนเมืเ่อเราอยู่ในสภาพนั้นแล้วเราก็ควรที่จะควรที่จะเป็นเวลาเพื่อปล่อย อ, อย่าไปอย่าไปหวงมัน มันก็พูดยากเพราะมันเป็นอยู่ในวางสองสองทางคือจะว่าจะปล่อยเราก็ยังรักษามันอยู่เราก็ยังกินยาเราก็ยังหายยาอยู่แต่จะว่าไม่ปล่อยหมายความว่าถ้าถ้าถ้าจะถ้าจะปล่อยก็หมายความว่าใจเราไม่ต้องไปหวังก็บเราเองมันคือรักษาไปตามที่แพทย์ให้ละใ ห, ให้รักษา อใจก็ไม่ต้องไปคายๆว่าไปเชียร์ไปหวังม อ, อมันจะหายก็หายมันไม่หายก็มันก็มากต่นั่นก็เป็นได้สามอย่างมันดีขึ้นเท่าเดิมหรือเร็วลงมันก็มีสามทางที่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นทางไหนกันเองหน้าที่ของเราที่เราทําได้ก็คือทําใจให้เป็นกลางทําใจให้เฉยๆได้รับได้ทั้งสามทาง ยังคงย่งเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็เอาแต่ถ้ามันดีขึ้นจะโอเคจะเสี่ยนลงกันนิดนได้ก็ตอนที่จะมาโดนมืกัดแล้ก็ทใจแบบนี้มดนมอกัดแล้วกไปลงพยาบาลก็ทำใจไม่รู้มันจะเป็นไงมันจะมันจะดีขึ้นมือจะจะเร็วลงจะหายมหายก็ คิดไปก็มันจะทําให้ปั่นป่วนใจจะคิดไป ล, ล่วงละเรามันก็มีแค่สามทางขายไม่หายแล้วก็เป็นก็หรืตายไรเนะ่ยจะคิดไปมันก็มีสามทางเมื่อคิดมันก็ไปในร่างกายเราแล้วเราไปทําอะไรมันได้แลท่นทราบให้ว่าเป็นงูอะไรเป็นงูกระปะ๋ะอ๋องูกระปะ๋ะงูทะเลใช่ไหมไม่ละ ง, งูที่มันอยู่ในทางเขาใช่ป่ะทางทะเลมีกระป๋ะ มันเข้ม <ừ, S 2> <hhhh troll> ืดเลยใครับตอนนั้นไม่ได้ฉายไฟเดินเดินลงไปแบบนี้เลยเดินมาต้องขึ้นมาอยู่ปีสามเก้าโดนรอ้สึกตอนปีนั้นโดยกับปีปีที่แล้วก็ปีสี่สามก็ประมาณสิบสี่ปีเดินก็ไม่ได้ฉายไฟตอนเดินลงไปแบบนี้เลย คือใครวัดดวงมไปเลยมึงมาอยู่ดีมาอยู่มาไหนนีท่านมีูดอยู่นะอยู่นะแต่ว่าเรายังใจใจยังไม่เด็ดทองไะท่านไปบอกว่าท่าที่ท่านบ่นั่นบ่นอะไรท่านเนี่ว่าท่านตัดฉับไปก็ต้องอาศัยบารมีอไอย่างเงี้ยสุเมศเนี่ย น้องพี่บุญแถบพี่เป็นพี่ท่อความเนี่ยมาอยู่นะอยู่สามสวันแต่ท่านได้อยู่นเดียวเลยนะอยู่มูไม่จิกแป๊กไม่จิ้ไยู่ปัญหาอะไรผมอยู่ได้คนเป็นเพนดนตตอนนี้ก็ไปรีทรีทกับท่านชยศาโรที่แม่รินเชียงใหม่เป็นปีที่สองแล้วก็ลงชื่อเป็นปีที่สามเพราะผมเกษียณมา่ปี7ีเจ็ดท่านจะจับสักดาคือท้ายของเดือนมกราคมท่านอาจารย์ชยศาโรที่ ป่านอนาชาติ่นคอานาช า, ช า, ชา<ม>ไปอยู่จะคืนแปดวันก็ไม่ไม่พยายามพูดกับใครก็นอนสิเตนแล้วก็ตื่นแค่ตีสี่นี่จะต้องขึ้นไปนั่งภาวนาแล้วก็คำว่าชา้าผมก็ตื่นวันตีสามคืนเหมือนทำกิจวัตรถูร้างตัวเองเสร็จแลไปกว่าจะเข้านอนก็ตีทุ่อากก็ค่อนข้างจะเย็นปลายเดือนมกราคมก็มีอีกเรื่องที่กาเป็นท่านคือ พยายามถามครูบาอาจารย์ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องทําบุญกะศลในชาติก่อนที่จะมาเกิดนี่คนข้าดจะมาใช่ไหมครับแต่ น, นี้พวกอาศยกรรมพวกโจรผู้ลายหรือในอาศยกรเหมือนน่ะซึ่งเหมือนเหมือนกับว่าถ้าผมอาจจะพูดอยากไปว่าเหมือนกับสา ร, รมมนรกมาเกิดเนี่ยทำไมเป็นไปได้ไม่มีคติทางพุทธศาสนาเลยงไงคือในจิตแต่เราเนี่ยมันทําบาปทําบุญมามากมายหลากหลายเลยกัน เปนเหมือนกับถ้าเรามีสวนเนี่ยเราปลูกต้นไม้ไว้หลายหลายชนิดด้วกันต้นไม้ชนิดที่ดีก็มีชนิดที่ไม่ดีก็มีนี้มันมีต่างวรรคกันเวลาที่มันจ ะ, จะเจริญยงอกงามออกดอกผลออกต่างกันในดวงจิตดวงใจของพวกเราเนี่ยมันไม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ในอดีตแล้วก็าอาจจะเคยทํำบาปทกากรรมมาบ้ากที่ยังไม่หมดเที่ยงฝังอยู่ในใจเราเข้าไป มเมอากิดมันก็ยังมี ม, มีบาบ้านิสัยที่จะชอบทําบาปยังติดมาอยู่เมื่อคนที่ไปเกิดเป็นเดาชะ mm hmm. ก็เป็นเดาะาที่ใจมุนก็มีเป็นเป็นเดาชาที่มันดีดีกับมนุษย์กันอยู่เพรับ mm hmm. หมามบางตัวมันดีกับคนเร mm hmm. ว่าเพราะเพราะว่าความดีของเขามันก็มีอยู่นในจิตของแต่ละคนเนี่มันมันมีตั้งดีชั่ว มันก็กระเป๋าที่โยมใส่ของมีทั้งของดีของไม่ดีปนเข้าไปนะครับเวลาโยมลงหยิบมันขึ้นมาบางทีก็หยิบเอาของดีขึ้นมาบางทีจะเอาของไม่ดีออกมาเพราะฉะนั้นมันก็มันก็พูดไม่ได้ะในเรื่องของพระพุทธเจ้าบอกมันเป็นอจินไตเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของอจิณไตแต่อธิบายได้คร่าวๆลออย่างเนี้ยว่าถึงแม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย มนุษย์บางคนก็เร็วแบบก็มีแม้แั่เราเองเราก็ไม่แน่เหมือนกันวันนี้เราว่าเราดีถ้าเกิดวันดีเคืนดีเกิดอะไรมันมามาสะกิดแล้วทําให้ไอไอตัวที่มันเป็นสัตวนรกที่มันมียังมีซ่อนอยู่ในจิตในใจของเรามันโผล่ออกมมันก็สามารถไปทำอะไรบางอย่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้หรืออาจจะมีไอตัวที่เป็น เป็นตัวดีเป็นเทพเป็นคมที่มันสร้างอยู่ในใจเราที่มันอยู่อยู่มันก็ถูกถึงเวลาที่มันจะแสดงบทตรของมันขึ้นมามก็อาจจะออกบทก็ได้เป็นพระไปก็ได้มันมันไม่แน่ไม่นอน อ, อย่างที่วันนั้นเล่าเรื่องของหลวงปู่ขาวให้ฟังเนี่หลวงปู่ขาวตอที่ท่านทราบข่าวว่าภรรยาท่านไปมีชู้ ตอนนั้นอ่ะไอสอตัวมันกําลังแย่งกันออกมาไอสัตว์น้กกับไอไอเทพพระเจ้าเนี่ยมันมานีตัวไหนมันมีแรงมากกว่าตอนต้นท่านที่ว่าฆ่ามันดีกว่าเราต่อมาก็ได้สติไอตัวเทพมันขึ้นมาแยกขึ้นมาท่าเขาก็ทํานั้นท่าของเราเราก็เรียกว่าเขาจูยกให้เขาไปเลยดีกว่าเนั้งมาเลยประกาศให้ชาวบ้านรู้อันนี้ ภรรยาของเราที่ตลับไปนี้ไม่ได้เป็นปของเราแล้วเนาะเพื่ให้ชูเข้าไปละส่วนเราจะจะลาไปบวชเนี่ยมันก็มีอยู่ในจิตของเราสังเกตดูลมเราก็แล้วกันบางทีก็อยากจะฆ่าคนนั้นเนีบางคนก็โอ้โหเสียสลาดชีวิตให้เขาก็ได้บางอนรมณ์อางเวลาเนี่ยมันอยู่ที่เราคือสติเนี่ยเราจะสามารถที่จะควบคุมมันได้มากน้อยเกินไป ท่านวิญาจึงเน้นไปที่สติปัฏฐานสินนจเจริญสติให้มากสตินี้เป็นเหมือนกับคนเฝ้าประตูคนเฝ้าประตูว่าใครจะออกใครใครจะมาเนี่ยสกัดมนไว้ไอตัวที่ไม่ดีก็ดัดมันไอตัวที่ดีก็ปล่อยออกถ้าเรามีสติแล้วเราจะเราจ ะ, าจะควบคุมอารมณ์ได้วเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็ดับมันได้พอรู้ทันปั๊บมันก็ดับละความโกรธ พอเรารู้ว่าเอ้ยกดเนี่ยมันก็ดับแล้วส่วนใหญ่มันไม่รู้มันมันต่อเป็นลูกโซ่ไปเลยเ <c oughs> พราะมันไม่มีสติ <c oughs> งั้นทำที่สําคัญที่สุดี่ก็คือสติพระพุทธเจ้าทรงตัดทองเปรียบเทียบว่าเหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่มันจะใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์อีกัวหนึ่งท่ากมันจะครอบรอยเท้าของสัตว์อีกนงท่านบอก สติก็เป็นธรรมที่จะครอบธรรมทุกอย่างได้หมดคือถ้าไม่มีสติแล้วอสมาธิปัญญาก็ไม่ไม่ไม่เกิดวิมุตติก็ไม่เกิดต้องมีสติเ ป, เป็นเป็นเป็นตัวนําัแำถ้าอย่างนั้นบรรดา <c oughs> นี้มันขึ้นมาตามปแบบกรรที่เกิด น, นี่นเข้าใจแต่ไม่อย่างพวกสัต์ต่างๆโอกาส<น>เพราะจะต้องเกิดเป็นอย่างนั้นซ้ำๆคร่าๆไม่เพราะว่าโอกาสทีส่ขขพุทธมรรสติของเราไม่มี ตันึงเขาจะมีโอกาสได้เกิดมาเกิดเป็นคนนี่ก็บัง ก, ก็ก็บุญที่เขาเคยกล่าวค่ามันก็มีเพียงแต่ว่ามันยังไม่ไม่มีแรงพอไอไอตัวไอไอตัวกรรมมันมีตัวบาปมันมีแรงมากกว่ามันก็จะส่งให้ไปเกิดมากกว่าแล้วเมื่อถึงเวลาที่มันมีแรงที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นก็นมาได้อย่างพระพุทธองค์ก็ทร ง, งเป็นสัตว์มาหลายชนิดเหมือนกันไ ด, ไ, ได้ไม่ใช่ไหมครับว่าเกิดเป็นสัตว์แล้วต้องเป็นสัตว์ตลอ จะเป็นมนุษย์แล้ต้องเป็นมนุษย์ไปตลอดไม่ใช่นี่ไม่ใช่เรื่องของกรรมกรรมนี่มันมันขึ้นขึ้นลงๆงตั้งแต่พรหมลงไปถึงนรกมันขึ้นขึ้นลงลงไปอย่างนี้ดนกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเจอพระพุทธศาสนาหรือสามารถสามารถบรรลุธรรมได้ได้ตนเองเช่นพระพุทธเจ้าเพราะนั่นถึงจะขึ้นสู่แห่งการขึ้นขึ้นลงล ง, ลงบันได ของพบอแม่ทุกต่างทีนี้อันก็พยายามใช้หลักปัจจุบันนะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราเป็นอะไรเรามีอะไรที่เาจะต้องทําก็ทําไปเช่นเรามีหน้าที่ดูแลรักษาร่างกายเราหาหมอก็หาไปกินยากินไปถ้าต้องกินข้าวก็กินไป <c oughs> แต่ก็กินข้าวมันก็ภาวนาได้อยู่ก็ไม่ได้ไปตัดภาวนาที่ไหน ก็ภาวนาไปก็เจริญปัญญาไปคือเราปฏิบัติทําได้เยอะแต่เราไม่ปฏิบัติเ<ม>ัวที่เราไม่รู้ตัวตันะ้งแต่วันนึงเราเลิกจากคําว่าพุโทโธอย่างเดียวนี้ทำได้นี่เราโห<ม>ก็ใกล้จะหลุดพ้นแล้วนะหลวง้่อการท <c oughs> ี่จะไปคิดเรื่องยาเรื่องกินข้าวซื้อสินแตกหรือไม่เนะี่มาเอาแต่คาว่าพุโทโธคำเดียวนี้อย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรสร้งมัน อันนี้ขอรักษาทําใจให้มันว่างไม่ให้ไปคิดฟุ้งซ่านเกกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นเข้าใจหมดแล้วร่างกายมันก็ต้องตายนะมันก็กลับคืนสู่ธาตุสีดินน้ำเงินอฟทํายังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นใจนี่ที่กําลังวุ่นวายทําให้มันสงบเลยให้มันว่างอันั้นเลยไม่ถามใจเพราะว่ามันก็ห่วงเรื่องร่างกายเรื่องทาการมันก็ไปพันกับสีเนี่ย เรื่องเงิเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเรื่องการทำทางกายทางวาจาแต่ถ้าเข้าใจถึงเรื่องของจิตแล้วก็ร่างกายก็ปยมันไปทาเรื่องของมันยกให้หมอไปหมอก็ให้กินก็กินแต่ใจเราเราก็ดูแลไปแล้วทำอะรด้วยธรรมอรสการพุทโธพุทโธไปทั้งวันเนี่ยวสวดมนตทั้งวันอยาปล่อยให้มีนไปคิดเรื่องรต่างๆยกเว้นเรื่องที่จําเป็นจะต้องกิ มีภาระคามรับผิดชอการงานที่เสร็จแล้วก็พอก็หยุดแล้วก็กลับมาสวดมนต์ในใจลอยตามทุกโธไปในใจทําได้อยู่ที่ไหนก็ทําได้ไม่ต้องไปที่วัดแต่เราไม่มีนิสัยในการนั้นมันถึงไม่ทําเนี่ยเดี๋ยพอกับพอพอไปอย่างนี้แล้วก็เริ่มคิดแล้วคิดเรื่อง น, น, น, นี้เรื่องนี้แล้วเนี๋ยความคิดมันก็ถุดลากไป ลองลองลองน้องน้องสมมุติถามตัวเองแล้วบอกตัเองตอบวนี้จะคิดแต่คำว่าพูดโทรอย่างเดียวไม่คิดเรื่องอื่นนอกจากจำเป็นจริงจริง<ม>คือ<ม>ก็อยากไปเครียดจนไปเวลาอยู่กับเพื่อนสูมันก็ต้องคูดคุยนะเพราะไปพูด<ม>พูดโทรเดวเพื่อนเขาก็อึดอัดไม่ยอมแต่ถ้าเราอยู่ว่างๆของเราคนเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้ยืนพูดโทรพูดโทรไปแล้วสวดมังกรก็ได้ แล้วใจจะสบายใจจะใจจะสงบใจจะเย็น <c oughs> ขอกลับนะคะเรน่องคือเรื่องการถ้าเรารู้ว่าเราถูกเอาเปรียบอยูน่นคะครับแล้วก็อาจจะเป็นถึงว่าการถูกโกงอย่างนี้จ้าแล้ว เ, เราจะถ้าเราต่อสู้ไป บ้างเท่าที่เท่าที่สามารถแล้วเนี่ยเออแต่ก็ยังมีทางไปได้อีกเนี่ยเราเราควรจะทำยังไงละคือไม่ควรจะสู้ต่อหรืออะไรคือพอลูกลูกจะบอกว่าลูกจะบอกว่าลูกจะถอยมาเสียสละคือไม่ไม่อยากต่อสู้ไม่อยากอะไรอยากขึ้นสรเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ลูกก็ไม่คิดไม่แน่ใจว่าลูกควจะทำยังไงก็ถ้าดีที่สุดก็คือสละไปเป็นคือว่าเป็นการทําบุญทําทานไป นี่ก็เป็นการถ้าสลาดไปนี้ก็เป็นบุญนะถ้าในกรณีที่มันต้องติดเข้าไปใ น, นกลุก่มนะคะเราสละคนเดียวมันก็ไม่หลุดออกมาคนอื่นก็ไม่ยอมสละนะคะแต่ว่าก็ให้คนอื่นเขาทำไป เ, เรา<ช>แล้วเราก็เฉยเฉยปล่อยครับ ไ, ไหปได้ก็ได้คืออันนี้เราทําแล้วต้องคือตัวรูปกใจลูกสละแล้วแต่ว่ามันจะต้องติดช่วงที่ไปรนะถ้าเร็ปก็ติดไปก็ติดไป้องขึ้นลงพี่สันก็ไม่อยา เราก็ไม่ต้องไปก็ได้ยังไม่ทราบเลยจ้ะคะแต่ว่าลูกอยากจะตัดไปก่อนที่ขั้นตอนที่จะต้องไปศาลเลือเราทําในส่วนที่เราทําได้ส่วนที่เราทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามตามเรื่องของเขาแต่ลูกเถียงคนที่ได้ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าที่สอนให้เป็นอย่างนี้แล้วลูกไม่ทัาบจะเถียงก็ว่าไงลูกกอบเขาตามไปเถียงลูกเถียงที่สาวไม่ทำจ้ะ ว่าพะ้ทาท่านสละหมดเนี่ยแม้กระทั่งลูกเงรท่านยังสละเลยจะอสมบัติแค่นี้ทำไมถ้าไม่ได้สอนแต่ว่ามันก็มีหลายระดับการให้ทางให้แบบธรรมดาทั่วไปแล้วให้แบบขั้นอุปติอันนี้เป็นขั้นของผู้ที่ศัตด์ขั้นของผู้ที่จะขึ้นสู่ทําขั้นสูงเขาเขาเขาจะสละได้หมด S <S <บอ>ก็ยกธรรมที่รูุ้เจ้าทรงสอนมาให้ตัละาักเพื่อรักษาอวัยวะกะลยาอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตกัลชีวิตเพื่อรักษาธรรมสอนแต่คนไม่ฟังเพรไม่ได้สอนให้ไม่สู้เพราะว่าเราก็สู้มากพอสมควรแล้วก็ดูได้เห็นได้ผลก็พูดกันทําความเข้าใจกันว่า คุณทำอย่างนี้ไม่ถึงนะคุนเพิ่งควรจะทำอย่างนี้เรามาตกลงกันได้ไหมไม่ตัวไม่พูดด้วยไหมไม่โอเคไม่เป็นไรจะกระด้าไปก็จบไม่ต้องแบบฟ้องสาลไม่ต้องไอะไรเพียแต่ว่าเป็นยังที่ศูนย์แต่ละก็แล้วกันถึอย่างที่เรายกให้เขาไปทำํำดีไปจบอะไรก็จบทํามยุติไงยุติทางว่าเคยมันจบไง ไม่ใช่คำว่ายุติธรรมไม่ใช่หมายความว่าต้องเอาของเราคืนมาถึงจะยุติธรรมไม่ใช่ยุติธรรมก็เมื่อมันเหตุผลมันมาถึงจุดตรงนั้นมันต้องหยุดตรงนั้นก็ต้องหยุดตรอนั่นเยแต่ถ้าเรามไม่อยากยุ่งแต่ถ้าเราปรงตรงได้แล้วก็ไม่เครียดก็เรา ทนายเขาทำาาหนังสือว่าออานาาไปเลยว่าละเงินก้อ น, นี่ที่อยู่ในส่วนนี้ใน ม, ม่ขอมีความรับผิดชอบอะไได้ทั้งสิ้หรือไม่จะได้มาก็ไม่ไม่ต้องการนะแล้วใครอยากจะได้รอไปคงจะมีวิธีแหละทีถ่ถ้าเราต้องการที่จะจะตัดมันจริง เพราะฉานั้นกวิธีเราก็ตัดที่ใจเราแล้วกันแล้วอะไรมันจะเกิดกับเราก็แปว่ามันเป็นคราบกรรของเราที่มันเป็นผลที่เราทํามาหนึ่งเป็นกรรมที่หนึ่งตายมาร่วมกันมันก็ไม่หนีพ้นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่มันก็อยู่ในตรงนั้นแหละถ้าถ้าเข้าใจถึงคําว่าแก่เจ็บตายแล้วมันก็อะไรมันไม่มีอะไรที่จะต้องมากังวล อะไรที่มันจะเกิดมันก็ไม่ได้ร้าลไปกว่าความแก่ความเาจ็บความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอะนแล้วเมื่อเราพร้อมที่จะรับความแก่ความเาจ็บความตายแล้วอะไรเราก็รับได้อย่าไปสร้างไปสร้างกรรมไปไปไปขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็ทําให้ผู้ ผู้ผู้แพ้ก็เกิดความมาฆ่าทายาบาลผู้ชนะก็ดีใจไปแต่สร้างความมาฆ่าทายาบาลให้กับผู้แพ้ถ้ายาววไม่ไม่เอาเรื่องกแล้วละอย่างวันก่อนยังรถไปในเมืองรดพอดีมันข้างหน้ามันตับหน้ารถคันไม่ต้องรีดเบกระไรอย่างนั้นลถตามม า, า, าข้างหลังก็ชนข้างหลังตูม้ม เราบอกให้ไม่ต้องหยุดอะไรไปเลยมันมันผิดเราไม่ผิดอ่ะเราไม่ไม่อยากจะเอาเรื่องกับมันเราขับของเราตออ่อไปเพราะจอดรถแล้วมันรถมันติดเป็นยาวเหยียดเรามีปัญหาต้องมานั่งคุยกันอะไรแล้วคนที่ก็ตามมาเสียเวลารถติดกันเป็นยาวเหยียดเราบอกไปฮะมันพอดีมันไม่ชนใดเท่าไหรมันก็่ชนนิดหน่อย ประเด็นเป็นรถกระบะแล้วคันนี้มันก็โอมันบุกบี้อยู่หิวต้องเยอะแยะนะก็เลยบอกบอกข่าไปถ้าถ้าเขาจะตามมาเราเรื่องอะไรเขาก็ตามมาเองแต่เราไม่ผิดเรารู้ว่าเราไม่ผิดแล้วนนหลับเขาคนเขาตามมาข้างหลังก็ต้องระวังอีกนะต้องเว้นตามกฎเกณฑ์เอาใจทางสามไม่ท่าเลยรถไม่ท่ามันรถนี่มันถอยออกมาจากซอยมันไม่ยอมมองใครเลยถอยออกมาเหมือนกระทันหัน เนี่ยก็แบบแล้วก็แบบเนี้ไม่ไม่อยากจะเอาเรื่องของเราอะไรไเพรอถ้าจอดคุยกันก็บอกไม่เอาเรื่องอยู่ดีแล้ก็เสียเวลาทําให้รถติดเปนยาวเหยียดไปเราก็เสียเวลาพอไปขับไปเรื่อยๆทำใี้ไม่รู้ไม่ที่แต่เขาอยากจะตามมาเอาเรื่องเราไม่เป็นไรไปเขาคุยกับเขาได้แต่เขาว่าเราผิดเอาก็ยอมเราผิดเขาจะให้เราจ่ายก็ยอมจ่าย อันสบายใจซะอย่างถ้าไม่มีเงินจ่ายเราเข้าคุกก็ไปนอนในคุกก็ ไ, ได้ก็ <c oughs> สมัยที่อยู่ที่อเมริกาเคยโดนโด น, โดนตำรวจจับผนหนึ่งข่าวหาว่าเราขับรถเร็วคราวนีออ้เราขับในโซนมัน 2.5 ไมล์เราขับ 3.5 วันเดีออกจากไฟแดงแล้วเราไม่ได้คิดอะไรตำรวจเข้าซ่อนหลบอยู่เพราะวันเียกเราโมโหเพราะว่าเราไม่ได้ขับเร็วมากนะ ควมีนารหน้าโนโลมได้เ น, น, น, นเขาจะเอาเรื่องแล้วาก็เห็นตัววมาเราก็ไปที่ไปที่จ่ายตัวแล้วถามว่ามีวิธีไหนวที่จะไม่ต้องจ่ายตัวนี่เขาาต้องไปคุยกับผู้พิพากษาแทนน้องพิสาเนเอง้องไปึ้นศาลคุณศาลเจอก็บอกว่าเขาจะตัด35เขาสงสารเขให้เรา10เดือน ไม่เสียเสียดเียนได้นหมขอถ้ามไม่เสียเสียเนียนก็นอนนอนคุกคืนหนึ่งให้ไปเลือกเราเขามีว่าไปฝึก ข, ขับหรืออะไรงเ้ยไมชเอท่นอย่างเให้นอนคุกคืนตารางคืนมันก็ไปทํางาน ใ, งนให้สังคมอะไรอย่างเงี้ยตอนตนั้เราก็คิดว่าแบน่าจะไปนอนคุกดูสักทีมันจะได้เป็นประสบะการณ์ทีก็กลัวเดี๋ยวมันจะติดอยู่ในประวัติเรามันอาจจะไม่ดีตรงนั้นไรนะอาเสียเสียดเนียนน ยอมเถิดเนี่ยอยากไปมีเรื่องมีราวเลยแต่ตรงหาวิธีคือพูดไม่ทันไอคนได้ไปมันตายไปมันก็มันก็ออกไปไม่ได้ไอเราได้ไปเขากงทําไมเขากงเอาเปรียบทุกอย่างแล้วก็เขาเขาเอกไปไม่ได้เสียตังค์ให้คนเร็วทําไมอะไรอย่างเงี้ยไปคิดผิดเดี๋ยวคิดอย่างงี้คิดไปว่ามันเอาไปมันก็ออกไปไม่ได้ตายไปมันก็ออกไปไม่ได้เราเอามาเราตายไปเราก็ออกไปไม่ได้อีกที ต่อไปก็คือแต่จิตใจที่โหดร้ายทำบุญต่อกันะกนะครับคิดอย่างนี้ก็กลินะ่นแล้วพระพุทธเจ้าบอกไม่คิดว่าเขาเอารล่นเอาเปรียบเราเลยถ้าว่าเป็นความคิดที่ทําให้เกิดโทสะทําให้เกิดความพย า, านะยายยมขึ้นนะพูดไม่เป็นแล้วต้องเชื่ว่าเกิดมามันก็เป็นบุญเป็นกรรมนะครับ เมื่อถึงเวลาจะต้องถูกเขาโกงก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้ทําบุญไปแล้วไปเพราะบางทีเงินที่เราได้มานี่เดี๋ยวก็เอาไปทําบุญอยู่ดีก็ ท, ำทํำแค่ตอนนี้ก็หมดเรื่องนะลูก็บอกว่าได้มาแล้วก็ไม่เอาส่วนนี้อยู่แล้วถ้าเคยเอามาแล้วก็จะไปทำบุญส่วนนี้ไปทำเพราะบอกไปทำบุญดีกว่าที่จะไปให้เขาโกงดีนะ <c oughs> ทำตอนนี้มันมีความเมตตา เนื่องจากที่บอกว่าความเมตตาต่อคนที่เรารักนี่มันง่ายแต่ให้ความเมตตาต่อคนที่เราเกลียดมันยากแต่ถ้าทําได้จะได้ไดุลเยอะกว่าเพราะจิตมันจะระ ง, งับความเกียดให้หมดไปจากจิตจากใจล้วต่อไปเราจะไม่เกลียดใครเราจะมองคนทุกคนดีชั่วเป็นเป็นเคื่อนเกิดแก่เกิดตาย คนคนเชื่อก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาที่เขาเกิดมาเขาต้องทำความเชื่อเขาต้องแล้วความเชื่อที่เขาทขานี่ก็จะจะจะมีโทษต่อเขามากขึ้นกว่าเดิมเราไม่ต้องไปสาไปแช่งเขาหรอกการกระทําของเขาเนั่ยแหละเป็นตัวที่จะเป็นตัวสาปขเขาเองนะ เดี๋ยวแผนที่ทำที่ฝากมานี้ฝากให้ค ah. ุณสเดาด้วยนะใช่ไหมค่ะคุณสเดาจะได้ส่งไปให้กอท้อนะโอเคุณแอดจะให้คนมาเอาเล่อสากไม้อ่ะมียังมีอยู่บ้างคุณแอดเขาจะขึ้นไปเชียงใหม่แล้วก็พอดีเขาก็ขาดเลื่สากให้คนไปเอาด้ืม ส่วนเทสที oh ่ที่ให้ไปนี่มันจะมีที่เทสตอนเช้าก็จะแยกออกไม่ไม่คือเทสทําที่ที่เทสตอนเช้าก็จะทําเป็นกําลังใจเล่นเทสที่ตสาราตอนบ่ายนี้ใช่ใร่พระเจ้าทำแต่มันก็จุลธรรมนี่ก็เป็นกําลังใจด้วยสแต่เมื่อยังเมื่อยังไม่ถึงวาระมันเบิดาว่าจะแยกมันออกไม่ให้รวมกัน แล้วก็จะยังรู้สึกว่าของของจุฒนธรรมเนี่ม้านี่ก็คงจะใกล้เสร็จคาริที่ที่พูดเมื่อเมื่อสองวันก่อนนี้ก็คงจะฟ้องนะมาให้นั่นถึงนั่นเป็นกาที่สองแต่ตอรกั้นที่สามเพิ่งเพิ่งมาพูดว่าเมือวัน่มางกับกับนี้ด้วยก็คงทิ้งได้ก็คงจะทิ้งได้ยังกันไม่ข้ามาลง ก็เดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์ก็มาเหรก็เอาเกาะชุดนี้มาให้ก็แล้วแต่ถ้ามันหนามากก็ก็ตัดก็แต่วันมัคงาววันนี้ม่หนาก็แต่ไทยแต่ข่าวแต่ว่าต้องต้องรอต่อกันเรื่องกาเรียนต่อเยอะๆก็ดูดูปละกันเพราะว่าถ้ามันหนาไปมันก็คืออยากจะได้ขนาดเท่าๆกันไม่หนาวเพราะมีผานไม่ติดขึ้น รวมมีอะไเกี่เดียวกัได้ต่นี่บางทีก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเข้าไปหมดนะเงี้ยบางส่วนก็บางส่วนที่เราคุยกันยังไม่ได้เป็นแบบเป็นเนื้อหาสารธรรมะเราก็ตัดตัดมีบางส่วนแต่เฉาะที่เป็นธรรมะอาเท่านจารย์กับคุณลฝากมะข่าเรนถามว่ท่านจาแม่อนุยาตให้ผู้หญิงอยู่ตรงปีนปีนตรงแถวยาม้นะอราบ ที่นี่ไม่ใช่เป็นของเราที่นี่เป็นของของป่าไม้ของไม่ได้แม้แตจะสร้างกุฏินี้เขายังไม่ให้สร้างตอนนี้เข า, เาเบอกมีมากมากนะก็เลยเป็นที่เรามาอาศัยกันอยู่แต่เมื่อก่อนนี้มันไม่เป็นอย่างนี้ถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่อยูเขาไม่กล้าสแสดงอำนาจแบบใหญ่แต่ตอนนี้ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เลยมามาแสดงอำนาจแบบใหญ่ว่าต้องทํานี้ต้ทำทำองทํานี้นเขากจะเป็นสะยรัก แ, แต่แต ก็ว่าไหนก็ว่างไปเราเป็นแบบหัวหน้าที่ดูแลสถานที่อยู่เมื่อก่อนยิ่งมแต่คอยมาคอยรับฟังสมเด็จท่านจะพูดอะไรตอนนั้นนี่มาต่างแทนนะมาสั่งห้ามห้านบ้างวิถีเพิ่ะอะไรอย่างังี้ยก็มันเป็นใบาตามตามระลอของของโลกอ่ะมันเป็นการแย่งแยกงชิงดีอำ น, นาจมนเป็นอย่างที่ไหน ที่มีอำนาจมากกว่าที่นั่งนันก็มันก็ใครมีอำนาจมากกว่าคนนั้นก็ก็แสดงไปพอดีที่นี่เขาไม่มีไม่มีโครงการที่จะให้ให้สุภาพศตีมาอยู่อก็เป็นบุญก่อนตมาไม่ต้องยุง่งสบาย ก็ไปอยู่ตามที่ครูบาอาจารย์ที่สำนักที่ท่านมีก็มีเยอะแยะคือแต่ละคนอ่ะจะมีอมีวาสนามาไม่เหมือนกันแต่เรามันมาวาสนาทางเผยแถรทางด้านหนังสือมากกว่าวาสนาครอบโลกไม่ต้องยุ่งกับคนมากคือโดยนิสัยมันอาจจะเป็นว่าแต่มาไม่ค่อยชอบยุ่งกับคนกะได้ิฉันลายเวลานี้พยายาม ไม่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้อขันยานิมนต์ไปไหนไม่รับเขาเลยานกัญญาที่เต็มเลยพอไม่รับเขาเขาโกรธเราก็ยินดีเขาก็ไม่มาหาเราก็จบถ้ารับแล้วเดี๋ยวเขาก็มาใหม่เดี๋วเพื่อนเขาก็มาอีกคนนั้นก็มาอีกให้รับต่อรับต่อแล้วต่อไปัะไม่มีเวลาเผยแพร่เรื่องธรรมะก็จะไปแต่งงานงานสวนงานอะไรต่างๆงานกิตนิมนต์ต่างๆ าร่างกายมันก็จะจำคุดโยมได้มีโอกาสได้ได้พักก่อนได้ภาวนาได้ออกกำลังเรื่องกินไม่หมดเนี่ยจะมาระวังมากเนียยะท้าวาริวาหาสุราตระิตรังติสากลาภเอวกเมวะอิโตหินังเตตานังอุปการปติ อิิตามปฏจิตังตุมังทิฏโตเนวะตันิจตะเพตุเรนโตตังกะปาจันโทปนะระโสยถานิโธติระโสยถาสัพพติโวิวัจานตสโควินาตุมาเตปวตวัตระโยสุคีทีขายุโคลวะอภิวาตนาสีิจจ์นิจจังนิจจาะจยโน ชะตาโรธรรมาวาทานติอายุมโนสุขังพระลางค์ตนอนนี้คุณโยมว่าทำมายุะหกสิบก้านะ 62เต็มย่า63มั น, น, นเป็นวิศวกรค่ะเป็นฟ้าค่ะสับที่จุฬาสมัยก่อนนี้มีวิศวะที่จุฬาแห่งเดียวนองจากวิศวะเชิงประธานแล้วผมทำงานครั้งแรกที่กระทรวงจาดอยู่ที่กระทรวงการการ ม, มาตลอดงานแรกก็คือกองการำน้ามันดูดแลสัญญาไทยอ่อยแล้วก็ต่อหลังยา่งาอยู่ทำงานมาอระานุภานาหกรรม คือมันเป็นรองเลยขาธิการเป็นผู้ตรวราชการกระทรวงเป็นรองประหลัดกับทรงไปเป็นเลขาธิการสมนด็มาฐานขึ้นมาเป็นรองประหลัดที่สุกท้ายโดนย้ไปอยู่เป็นรองเลยขาธิการที่บีโอไอผมกเกษียนผมเกิดปีแปดเจ็ดเกษียณเมื่อไหร่ยักษปีเจ็ดนี่สองปีตัวตอนนี้ก็เป็นคนธรรมดาแล้วฟรีแมนหลานๆแล้วลกบอกว่าผมเป็ฟรีแมนทั้งทุกอย่างมันมีมีได้มีเสีย จะแรงยศก็เสื่อมยศก็กกาทำแปดทุกท้าลงมานิท้างอย่ไปนิดกปติดอะรมันเป็นสมมุติเป็นเหมือนกับบทที่กห้เราแสดงมดนะครกลาเป็นพระเอกพอหนังละครจบก็ออกมาเป็นคนธรรมดาก็ยังภูมิใจตัวเองว่าไม่ได้เรี่นงการเมืองไม่ได้อิงนักการเมืองก็ได้ตำแหน่งขึ้นมาขนาดนี้ก็ก็น่าจะพอใจ คนบางคนก็มีศักดิ์ศรีเขาไม่เขาเขาก็ยินดีที่จะเจริญตามความรู้ความสามารถของเขาตามบารมีของเขาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคิดว่าคิดว่าตำแหน่งเรานี้ขอถอืถอว่าเป็นของแถนกันแล้วกันตามที่เราทํางานก็เพื่อที่จะมีอาชีพมีตาก ม, มีทองท่นั้นเองถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่กังวลว่าปีนี้จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นหรือไ ม, ม เมื่อเราไม่ต้องวิ่งตามจะตามเจ้านายคอยเอาใจประจ้ากระแจ<ร>ไปรนะับใช้นะขายตัวเราอย่างไรเหนะมือนกับขายตัวเรานะให้เรามีความภูมิใจนิดนกว่ะอันนี้เป็นรางวัลที่ไ ม, <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรจะให้เราไนดะ้ความภูมิใจก็คือยึดถือคำสอนคำธรรมพุทธาทํำงานเพื่อ ง, งาน ก็ไม่เคยไม่เคยเบื่องานมาตื่นมาตอนเช้าอะไร ค, ความที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้ามีงานค้างอยู่นึกได้จะตื่นมาใกล้ใก้สามเนี่ยนึกได้้งานเสร็งนะปุ๊บต้องรีบขึ้นมาจดเดี๋ยวลืมแล้วก็อาบน้าพักแล้วก็ผมไปเป็นคนตื่นเช้าทํางานเช้าไปถึงทํางานเจ็ดโมงอ่ะคุณดูหน้าตาสุดใสไหมหน้าตาดยยังอ่อนกวไวเหมือนกันจะมาคนต้องที่ว่าปมาณนี้กันอย่างสี่สิบกว่าใช่ไหม ควาจิตใจที่ไม่ค่อยเครียดอะไรมันจะไม่ดูไม่ค่อยแก่ถ้เครียดทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันจะแก่ท่านทำไม่มีทุกข์แล้วเนี่ยคืนับว่าเป็นบุญกุศลนะผมที่ได้มีโอกาสได้มากราบนมัสการท่านแล้วก็ได้รับฟังธรรมวันนี้คือเป็นธรรมที่จะมีประโยชน์ ที่ผมจะได้น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้เท่าที่ว่า้วแต่บุญตัวเองก็จึงมากน้อยแค่ไหนก็ดีใจที่มีคนฟังทำแบบนี้อยู่จะได้จะได้มีกำลังจะได้มีกำลังใจพูดกับตัวมีโอกาสบนพื้กระดแต่พวกลูกมาบ่อยจะลองจะมา24นี้เห ยังไม่ได้คณะใหญ่จะมายังไม่ได้ส่งสรงส่งสัญญาณราบอกตรงเนี้ยเพราะอุูมิไปไอ้ามที่แล้วถาเรียนท่านบอกเขาเหรอบองแต่ถามไปแล้วบอกเร็วไปบอกเร็งไปเาที่าถามันที่ยี่เก้ายี่เก้าไม่ดนะแต่ยี่ข้านี้มาตรงกับกถิงจไม่เป็นไรเพราะว่ากระถจะลุกมาบ่ายพอเที่ยงก็เสร็จแล้ว เสถียรจะสะดวกรึ่าเ็นยอม้าพ่ะคะอ๋อไม่ต้องไม่ท้าเาทำเคทาเาช่วยทำเาเพี่งจะเอราทาพิธีตอนข้าเาัเองวันี่สจะเผ้าน่ก่อน้คนหน้าจะเป็นเพราะว่าผมท่านจะข้าว่ก็ถิ่เอา้าามาตัก ดาวเทียมเบอร์สิบเอเียไปดูเนี่ยเขียนไว้ดาวเทียมเอแ่ไหลงบอบดาวเทา้งดาวเทียมี่เหอดาวเทมเอสิอดเยจะให้ใส่ก็ซื้อแล้วซื้อที่ปะมาด้วยนะจะได้จะได้รู้เป็นของใครพ่อพระใช้แบบเดียวกันหมดเดี๋ยวเวลาจะใส่ไม่รู้ว่าเป็นของใคร แต่ซืมาว่านิดหน่อยไม่ต้องแตะมามากล่องก็ได้กลับเพิ่จะิดท่านใส่น้ำไมเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วโยมนจะปิดแต่ให้ยาโยมกินเองครัตรนนี้คุณเมก็ได้แล้วได้ส่งไปให้เมัจะมาอยู่กับท่านปลายุลาดอกปลายก็ตื่นเป็นเป็นเธอ ชะลาขององคาก็เริ่มแล้วค่ะทั้งหมดแล้วก็ทั้งหมดก็ดูแลจิตใจเป็นหลักร่างกายก็ให้หมอเขารักษาไปหมอเขาว่าก็ทำตามหมอไปกินยาอะไรก็จะกินก็กินไปไม่เป็นไรก็ยังภาวนาได้อยู่ไม่ใช่เหรอได้กายเนี่ยต้องให้หมอเ้ารักษาใจก็ให้ธรรมาก พยายามพโพโอยู่เรื่อยๆ่ไปคิดาม่ือจมันไม่ได้ตระนกจัการต้องต้องแยกใจออกจการที่ไหน้านตินนะก็ิดจไปทุกที่ก็ท่านี้ให้เอาไว้ที่นี่พอดีเห็นว่าคนมัน้อยกเลยที่ว่านั่งคุที่นี่้อที่นี่ก็สว่างที่นั่นนะลาืน มียุงไหมครับที่นี่ก็มียุงไม่ค่ อ, อยมีขนา่นะไม่ค่ อ, อยอมีขนาด